อาจารย์ครับกลาวนำมาตย์สกา ร, สกร์ครับผมนานอาจารย์พรคุณน้อยและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่82ครับพระอาจารย์วันนี้ผมตั้งหัวข้อน่าสนใจเพื่อนๆบอกกันมาเพราะว่าเป็นคําถามที่ผมเห็นว่าเกือบทุกครั้งเลยจะมีคนถามอาจารย์เข้ามาครับวันนี้ก็เลยขอโอกาสรวมไว้ในตอนนี้เลยนะครับพระอาจารย์ครับ เรื่องเรื่องจิตสุดท้ายครับหลายคนก็บอกว่าทําดีมาทั้งชีวิตตอนตอนจะตายนึกถึงเรื่องไม่ดีขึ้นมาจะไปทุกขติหรือเปล่าหรือทําไม่ดีมาตลอดแล้วตอนตายนึกถึงแต่เรื่องดีๆขึ้นมาจะได้ไปสุ ข, ขติหรือเปล่าครับวันนี้เลยขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยไขยข้อสงสัยนี้ด้วยนะครับขอบพระเมตตาครับคือมันเป็นเรื่องของความคิดเพ้อฝันของคนที่ไม่เคยปฏิบัติที่จะคิดว่าอยู่ดีๆจะสั่งจิตให้คิดไปในทางที่ตนเอง ต้องการได้ลํามาปฏิบัติทำดูเสยให้มันคิดพุดโทโธด้วยจะคิดได้เท่ากี่นาทีใช่ไหมะทำให้จิตสงบว่ต่อไปนี้พุโทโธอย่างเดียวไม่น้อยคิดอะไรคิดได้ไหมในขณะที่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นปกตินะเหตุการณ์ปกติตถ้าเกิดคุณเวลาจะตายคุณจะจิตใจของคุณจะเป็นปกติหรเปล่ า, าถ้าสมมติถูกยิงเี้ย จิตใจคุณยังมีกระจี๊กระจาให้คิดดีๆนะมันจะเกิดความกลัวเกิดความเสียสติแม้กระทั่งควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ถ้าไม่เคยฝึกจิตมาก่อนถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทําคิดทําบุญทํากุศลทําความดีให้มันเะสียเวลาเราให้เวลาจิตสุดท้ายก็มาคิดดีพวกไปเลยไปได้นะไปไม่ได้แล้วความคิดที่ไม่มีน้ําหนัก เกิดความคิดที่คิดแล้วจิตมันไม่ทําตามแล้วมันก็ไม่ไปเฮ้ย ไ, ไปสุขตินะไปสุขตินะอย่าไปอบายนะทํามันมันจะเชื่อเราพังเรากปล่าทำมันเชื่อตอนนี้ก็สั่งให้มันสงบสิให้นิ่งอย่าคิดอะไรลองสั่งดูสิแล้วกายคิดว่าจะรอให้จิตสุดท้ายสั่งจิตได้ก็ลองสั่งตอนเสื้อตัดตอนนี้ด้วยดูก็ได้ตอต่อไปนี้จิตนิ่งไม่ให้คิดอะไรอจะนิ่งได้ทั้งกี่วินาที มันเป็นเรื่องเพ้อฝันคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้จักว่าจิตนี้มันเป็นสิ่งที่มันมันมันอะไรควบคุมง่ายที่ไหนยากแสนยากตังก้งแต่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างโชคโชดนั่นแล้วมันถึงจะกลายเป็าาเปจิตที่เชื่อมที่สามารถที่จะทําตามคําสั่งของเราได้ถ้าเราไม่เคยฝึกจิตมาก่อนไม่เคยสั่งมันมาก่อนอยู่ดี มันมีแต่สั่งเราทุกวันเ น, นี่ยว่าจิตเนี่ยเป็นคนสั่งเราสั่งให้เราคิดสั่งให้เราพูดสา่งให้ราต่างๆแลว้ววันดีเกินดีคุณยังมาปฏิวัติบอกต่อไปนี้จะสั่งมันแทนเนี่ยไม่มีทางหรถ้าไม่เชื่อลองไปลองไปปฏิบัติ ด, ดูสักวันสิต่อไปนี้จะไม่ให้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นให้อยู่กับวุฒโธคำเดียวดูซื่อใจอยู่ได้นานทักระยะ ้มันเป็นเป็นเรื่องเพ้อเจอ้อเพ้อฝันเรื่ของคนที่คิดไปตามความเพ้อเพ้อฝันของเขาคิดไปเพื่อจะได้หลอกตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทำหรอความดีอะไรทั้ไหลายตอนนี้เดี๋ยวเว้รอเราเวลาตายจิตสุท้ายคิดถึงความดีเราก็ไปดีมันจะไปดีได้ไหมันจะไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงมีปชิมโมว่าคําสอนคำสุดท้ายของพระเจ้าสงสัยว่า สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะที่น้ำกายนี่มันเป็นของไม่เที่ยงมันจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ยังจงรีบทําเก็บที่พึงควรอย่าทําให้มันเสร็จก่อนที่จะถึงเวลาขงจิตสุดท้ายที่จะขยี้ถ้าคุณไม่เตรียมตัวไม่เลยทําอะไรออขึ้นเวทีคุณก็ถูกน็อตเลยจะเป็นน็อตหน่วยเยอะผมไม่ต้องซ้อมหรอกนะผมรอรอเวลาผมขึ้นเวทีแล้วผมค่อยไปซ้อม ตอนนั้นก็ได้ผมจะปาดคู่ต่อสู้ผมภายในหมัดเดียวสองหมัดให้มันอยู่หมัดเลยเลยลองทําดูสิสิ่งที่เราต้องต่อสู้คือกิเลสอันหาความคิดชั่วคำต่ำทรามทั้งหลายที่เราเคคิดมาตลอดชีวิตดีๆมันจะยอมเราเลยทำไม่ได้ทําไม่เชื่อก็ลองทำดูเลยลองสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคนนะดูสิคนจะจะให้คิดดีๆ ได้ไหมไม่ไม่ไม่คิดเชื่อไม่ไม่ไม่คิดทําอะไรที่ไม่ดีได้ไหมเครกินเหล้าวันนี้หยุดกินเหล้าได้ไหมเคยทําอะไรหยุดหยุดกระทําได้ไหมมันไม่ใช่อยู่ที่การคิดอย่างเดียวคิดแล้วมันต้องทําได้ด้วยถึงจะเป็นถึงยังมีน้ําหนักไปคิดเฉยๆแล้วทำไม่ได้มันก็มันก็ป่วยการผู้นิพงนพอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจครับอาจารย์ ถ้าอย่างนี้แปลว่าเวลาที่เราจะตายนี่สุดท้ายแล้วมันเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันต้องเป็นต้องซ้อมมาก่อนต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนไม่ใช่มาปล่อยวางตอนที่จะตายเมื่อตอนที่ยังไม่ตายยังปล่อยไม่ได้แล้วเวลามันจะตายมันจะปล่อยได้มันต้องซ้อมก่อนต้องทำก่อนคุณชาอยู่ดีๆจะมาฝึกทําตอนเวลาขึ้นเวทีแล้ว ก็ไม่ีแล้วก็ว ง, งเป็นไก่ตาแตกแล้วตอนที่เกิดวิกฤตยังว่าจะใกล้ตายเลยถ้าเกิดไปหาหมอวันนี้แล้วหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วที่จะจะทำใจได้ป่ะจะทําใจให้นิ่งให้สงบได้ป่ะลุกลาดแล้วเดยคิดแล้วพุ่นไปหมดแล้วจะทำยังไงนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายอันนี้เป็นความคิดไม่ดีทั้งนั้นะ ถ้าความคิดที่ดีจริงมันต้องทําให้จิตนิ่งสงบไปได้ครับอาจารย์ครับแล้วพอวังสุดท้ายเท่าที่เคยได้ยินมาเขาบอกว่าพอพอจะตายเนี่ยบางคนจะไปเห็นภาพเห็นวิมานหรือถ้าทําดีมาจะเห็นวิมานถ้าทําไม่ดีมาก็บางทีก็ไปเห็นสัตว์เห็นป่าเห็นศาตว์ที่ตัวเองเคยทํามาก่อนทําฆ่าเขามาก่อนอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับอาจารย์ครับก็รอไปถึงเวลานั้นก็ ไม่อยากแต่จะรู้ก็ต้องต้องพิส่วน์ด้วยนตนเองดีกว่าเพราะเราก็ยังไม่ตายเราเพรไม่รู้เหมือนกันแล้วเรารูา้ได้ว่าเวลาที่เรายังไม่ตายเวลานอนหลับก็เหมือนตอนที่เราตายเนี่ยครับอตอนที่เรานอนหลับลเราฝันเนีถ้าเราฝันดีแล้วฝันร่ามมันก็บ่งบอกถึงถึงจิตของเราแล้วว่าเป็นจิตดีแล้วจิตไม่ดีครับถ้านอนหลับเราฝันดีนะแสดงว่าจิตเราดี ถ้านอนแล้วเราฝันลายเนี่ยแสดงว่าจิตเราไม่ดีครับ ก, ก็พอเทียบเคียงไปตอนฝันก็ได้อาาตอนฝันเนี่ยหลังๆก็เหมือนตอนตายเนี่ยตอนนอนหลับนั่งกายก็เหมือนกันไม่ได้ทาํางานนะช่วงนั้นไม่ได้ทําหน้าที่รับคําสั่งของจิตจิตจะใช้น่างกายไปสแสวงหารูปเสียงกิดลดไม่ได้แนละ้วจิตเลยต้องอาศัยรูปเสียงกิดรดที่ได้บันทึกไว้ถ้าทําบุญมันก็บันทึกแต่รูปเสียงกิดลดที่ดี ถ้าทำํำบาปมันก็มันตั้งแต่รูปสิ่งกินรสที่ไม่ดีมันก็จะมาปรากฏในใจของเราตอนตอนนี้ร่างกายานอนหลับกันนะครัแล้วเดี๋ยวมีคําถามจากเพื่อนๆข้างล่างอีกเต็มเลยผมดูแล้วเกี่ยวกับเรื่องจิตสุดท้ายเดี๋ยวอาจจะต้องทยอยทยอยถายมอาจารนะครับข้อห น, นึ่งก็คือเรารู้เรารู้เมื่อไหร่ว่าจิตสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมืไหร่ใชครับแล้วถ้าเรารู้ว่าพวกนี้จะเป็นจิตสุดท้ายอย่างนั้นเราจะได้เตรียมตัวเตรียมอะไรกันได้บ้าง แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยมันพอถึงเวลามันเดินเดินไปดีๆเป็นลมเนี่ยหยุดพอใจหยุดเต้นขึ้นมาจิตสุดท้ายจะทําอะไรทันไม่มีทางทันเลยครับเ ต, ต้น ต, ตกใจไปฉะนั้นคะว <c oughs> ้ า, าอะไรไก็คว้าอะไรไถ้าไม่เคยซ้อมเมืก่อนมันจะทำอะไรได้ไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ในพรพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่า จ, จง ยังเน้ความเพียรจังยั่งประโยชน์ตอนนั้นพูดในถึงความเนองความไม่ประมาทเถิดทำไมเพราะฉะนั้นรู้ว่าพวกเรามชอบประมาทกันชอบผัดวันประกันพรุ้ยไว้อรอจิตสุดท้ายแล้วค่อยมาทําก็ไดค้ครับผมก็ต้องเร่งทำตั้แต่ปัจจุบันเลยนะครับาใช่เพราะเราไม่รู้ว่าจิตสุดท้ายมันจะมาเมื่อไหร่อาจจะมาคืนนี้ก็ได้บางคนนอนหลับไหนายตายไปก็ได้ นั่หลับแล้ไม่ตื่นก็มีครับขอบพระคุณพระอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างครับเดี๋ยวข้างล่างมีเต็มเลยคาถาม <c oughs> ตอนนี้ถามของพี่สมพรนะครับอทําไมตอนฟังสดพระอาจารย์เข้าใจแล้วก็ลืมได้ง่ายแต่พออ่านจากที่ทีมงานพระอาจารย์สรุปในหน้าเพจแล้วจําเข้าไปลอยอยากในสมองได้เข้าลึกตกผลึกกว่าหรือว่าตอนโยมรับฟังทักษะการฟังของโยมไม่เข้มแข็งพอ แอคทีฟเลิศชินิ่ยังไม่ผ่านหรือว่ารับรู้ได้ดีผ่านการอ่านครับการอ่านมันก็มีเวลาที่ทําให้เราให้ความสิ่งที่เราอ่านมันมันฝังอยู่ในใจได้นานกว่ า, า, ก, า, าการฟังพอการฟังเพราะมันฟังพุ๊บมันผ่านไปปั๊บแล้วก็มีเรื่องอื่นมามากรบไอ้เรื่องที่เราเข้าใจมันก็จางหายไปเพราะมีเรื่องใหม่เข้ามาแทนที่อยู่เรื่อยๆแต่การอ่านนี้เราสามารถจออยู่กับ บทที่เราอ่านอยู่แล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้ไปอ่านอย่างอื่นทันทีได้เราก็มีเวลาที่จะนั่งพิจารณานั่งวิเคราะห์นั่งให้มันซึมซาบเข้าไปในใจของเราได้ดีกว่านี่กับการฟังคุณว่างเปล่าครับ <c oughs> ยงขอโอกาสเรียนถามเวลายงทําสมาธิจน ถ, ถึงจุดที่ลมกายจิตสงบระ ง, งับตั้งมัน่นไม่มีลมหายใจจิตนิ่งเรียบ ข้างในระ ง, งับเย็นลึกหลังออกจากสมาธิใหม่ๆก็ยังทรงอารมณ์สงบนิ่งเรียบอยู่พอผ่านไปสัตว์สาถึงสชั่วโมงจะมีการปวดไถยทอยมือนศีรษะเกลับทั้งวันเป็นเช่นนี้ประจําเวลาที่ใช้นั่งสมาธิประมาณ4 5่สถึงหกนาทีและเวลาจเจริญเวทนาก็เช่นกันโยมสดมน์ใช้เวลาประมาณ1 5บหถึงยีนาทีจิตได้ที่สงบตั้งมั่นก็จะพิจารณาธรรมส่วนใหญ่พิจารณาขันห้าพิจารณาไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆสงบตั้งมั่นคำถามจบแค่ น, นี้ครับ ก็ถ้าอยากจะพิจารณาธรรมก็ต้องรอตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วถึงจะพิจารณาได้เวลาที่อยู่ในการสงบไม่ควรที่จะพิจารณาอะไรเพราะจะไปทําให้จิตไม่สงบเพรั้นตอนนี้เรานั่งสมาธิจิตสงบก็พยายามใช้สติประคับระคองจิตให้สงบให้นานที่สุดเพราะยิ่งนานเท่าไหร่จิตจะเป็นกลางมากขึ้นจะมีอเบกขามากขึ้นและเวลาที่เราออกมาพิจารณาทางปัญญา เราจะใช้ปัญญามาระงับความอยากมาระงับความโลภความโกรธความหลงถ้าเราถ้าจิตไม่มีอุเบกขามันจะไม่มีกำลังที่จะนะงับได้ฉะนั้นก็ต้องต้องแยกวาระของการปฏิบัติสองทำสองระดับนี้ระลับสมาธิกับระดับปัญญานี้ไม่ได้ทำด้วยกันพร้อมกันให้แยกกันทำเราทาสมาธิก็พุ่งเป้าไปที่ความสงบ พุ่งไปที่อุบเบกขาเวลาออกจากสมาธิมาถ้าต้องการจะพิจารณาปัญญากาพิจารณาได้แล้วพุ้งไปเพื่อให้มีความเห็นตามความเป็นจริงเห็นใจลัคน์เห็นอสุภเห็นอารเหล่านี้คุณมานพครับถ้าเราจิตตกตอนจะตายจะพาเราไปสู่อบายภูมิไหมครับเรายัางไม่รู้ไงเราจิตเราตกมมนขึ้น อันนี้มันอยู่ที่มันไม่ดอยู่ที่ตอนตายแล้วถ้ามันตกมันตกก่อนตายแล้วมันมารอตกตอนตอนที่จะตายถ้ามันขึ้นมันก็ขึ้นก่อนตายแล้วตอนนี้จิตเราเป็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นตอนตายถ้าจิตเราเป็นเทพตอนนี้มันก็เป็นมันก็เป็นเทพตอนตายถ้าจิตเราเป็นเดรัจฉานมันก็เป็นเดรัจฉานตอนตายมันไม่ใช่อยู่ดีดีมันจะมาเปลี่ยนได้ คุณไกรสอนครับจิตสุดท้ายของพระอาหารหันต์เป็นแบบไหนครับแล้วเข้านิพพานเหมือนกันทุกรูปไหมครับไปรู้เหมือนกันเรื่องของพระอรหันต์นี่ <c oughs> ต้องอย่าอย่าไปล้างรับล้วงท่านเลยเอาเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของเราคือิจิตตปัจจุบันของเรานนี้สงบหรือไม่สงบดีกว่าดูตัวนี้ไว้ถ้าจิตสงบตอนนี้เวลาตายก็สงบนะถ้าเวลานี้จิตไม่สงบเวลาตายก็ไม่สงบแค่นี้พอ คุณปิยรัตน์ครับพระอาจารย์คะการพิจารณาไตรลักษณ์ในสมาธิแล้วจิตเข้าสู่ความสงบแบบนี้เรียกว่าปัญญานำสมาธิหรือเปล่าคะแล้วถ้าพิจารณาแบบนี้จะถูกต้องไหมคะหรือควรบริกรรมพุทโธจนเข้าสมาธิแล้วค่อยออกมาด้านปัญญาคะ ไ, ได้บางทีเราอาจจะใช้การพิจารณาอสุภะเนี่ยเรกว่าอาการฐานสิบสนี่แทนคาบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ รายการคำว่าเกษาโลมานักขาทันตาตาโจเรื่องผมขนเล็บฟันหนังแ น, น่นกระดูกไปสามสิบสองอาการทั้งมนุษย์ลมปฏิโลจิตก็จะหยุดคิดเรื่องราวต่างๆได้จิตก็เข้าสู่ความสมมงบได้ัก็มีมีสองวิธีจะใช้ปัญญาพิจารณาตายละ ก, ก็ได้พิจารณาความตายใชคิดถึงความตายอยู่ก็าอาจจะทาให ไม่อยากจะคิดอะไรคิดอยู่ว่าความตายอยู่อย่าเดียวมันก็อา จ, จะทําให้จิตเข้าสู่ความหลงได้คุณสภาครับควรวางจิตตอนป่วยต่อความวุ่นวายของจิตเมื่อเราป่วยหนั ก, นก ๆ, ๆเมื่อทุกเขเวทนามากๆอย่างไรครับต้องวางไม่ตั้งแต่ยังไม่ป่วยถ้า ต, ตอนป่วยแล้วมันวางไม่ได้แล้วตอนนั้นป่วยแล้วมันธรมาน มันไม่มีสติที่จะคอยมาควบคุมใจต้องซ้อมป่วยไว้ก่อนต้องซ้อมป่วยก็เช่นนั่งสมาธิไปแล้วเวลามันเจ็บก็คิดว่านี่กําลังป่วยแล้วก็อยากไปรบแล้วก็สอนจิตให้อยู่เฉยๆให้หัดอยู่กับความ เ, เจ็บปวดของร่างกายให้ได้ถ้าอยู่ได้ต่อไปเวลาป่วยมันก็จะรู้เล่า ว, วิธีว่าจะทําไงตอนที่ป่วยตอนที่ร่างกายเจ็บทําใจเฉยๆ ให้มันอยู่กับความเจ็บไปอย่าไปให้มีความอยากหรือความกลัวความเจ็บปวดถ้าเกิดความอยากก็ทุกข์อยากให้ความเจ็บหายไปก็ทุกข์หรือกลัวความเจ็บมันก็ทุกข์ต้องเฉยๆ เ, เวลาเจอเวลาเจ็บไข้ได้ปวด่วยเ้าเจออาการเจ็บปวดของร่างกายต้องทำใจให้เฉยได้อยู่กับมันให้ได้ถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนมันพอถึงเวลาปว่วยมันจะทาไม่ได้ ต้องซ้อมก่อนเนี่ยพระเจ้าถึงสามารถให้หยาประมาทให้รีบฝึกไว้ก่อนฝึกตายฝึกเจ็บไว้ก่อนเนีย่ยเรามีข้อสอบรอเราอยู่เนี่ยความแก่ความเจ็บความตายรอเราอยู่เราทำข้อสอบตอนนี้ผ่านไหมทำได้ไหมคุณเฉลิมครับคนตายท่านยมทูตจะรับไปสอบสวนทุกคนไหมครับ ไม่มีโยมมาช่วลหรออันนั้นมันเพลงแต่นิยายคิดค้างกันมหมองคนตายก็กรรมนี่แหละจะเป็นพวกจัดการอาไปไม่ต้องตายสวยไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลตัดสินก็ดีกว่ามันกฎของกรรมนี่มันอัตโนมัติทําพ๊บมันถูกตัดสินทันทีปั๊บเลยทำบาปปั๊บร้อนทันทีใจสื่อทันทีทําบุญปั๊บใจเย็นทันทีใจขึ้นสูงทันที คุณกุณ้งครับอายุมากแล้วเพิ่งตระห น, นักถึงความสําคัญในการดูกายดูใจแต่ปัญหาอุปสรรคอยู่ที่สังขารไม่ค่อยอํานวยควรทําอย่างไรดีคะเห็นไห ม, มเนี่ยคนนี้เขาบอกสังข า, มารมันข้ามดนวยนะ <c oughs> ก็สายไปชแล้วจะให้ทํำยัยำยงไงลนะ่ะก็ทําเท่าที่เราจะทําได้แล้วแนะแยากแนะแม่ตอนที่สังขารเราสงบสบายไม่ทำกันคิดว่ามันรอจิตสุดท้ายแล้วก็ไม่ทำก็ได้ พอถึงเวลาทั้งขานแบบนี้แล้วไม่มีกติกาใจที่จะทําอะไรนะคุณพงศกรครับการเริ่มทําสมาธิต้องทํำยังไงครับต้องทําสติก่อนต้องฝึกสติก่อนต้งคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปไเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนโดยการนั่งเราสามารถควบคุมความคิดได้แล้วก็นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุโทโธต่อ หรือจะเปลี่ยนจากการบริการพุทโธมาดู ล, ลมเพลงอย่างเดียวก็ได้ดู ล, ลมที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกหรู้ว่าหายใจออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับรมให้ใ ห, ให้ให้เอาเอาลมมาเป็นอารมณ์ตอบใจให้เข้าสุขวามสุขท่นีง้ง่ายง่ายงายการฝึกสมาธิแต่ถ้าไม่มีสติที่อดูลมด้วยพุทโธมันจะไม่มันไม่ยอมดูมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดจกนกระทั่งท้ ไม่อยากจะนั่งตอไปเพราะยิ่งคิดมายิ่งอึดดัดดังนั้นต้องฝึกสติให้มากๆก่อนให้ให้ให้ลดความคิดลงให้น้อยจนกระทั่งมันว่ามาันไม่มาสร้างความอึดัดหรือสร้างความาคูุ้มสร้างในขณะที่เรานั่งสมาธิคุณพัทรพรครับ หากผู้ป่วยนอนไอซียไม่รับรู้หากจิตไปจิตสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคะคนดูแลสวดมนต์ให้ฟังตลอดคะ่ะจิตสุดท้ายก็อยู่ที่บุญกละบาป ท, ที่เขาได้ทําไวน้นะว่าอันไหนมันมากกันถ้าจิตสุดท้ายบุญมันถ้าบุญมันมากกว่าบาปจิตสุดท้ายก็จะเป็นบุญส่งส่งจิตไปสู่สุขติถ้าบาปมันมีกําลังมากกว่าบุญมันก็จะไปสู่ทุกขติ คุณพรสวรรครับความคลิกกระโดดทําอย่างไรให้ใจรวมเป็นสมาธิให้ได้คะก็้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆฝึกทั้งวันทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตพลนจะหลับให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปคุณสมพรครับบอกว่าการทําบุญทําทานตักบาตรกับพระสงฆ์แต่ละรูปได้บุญเหมือนกันได้บุญเท่ากันหรือไม่ครับอย่างไรครับ คือการทําบุญกับใครก็ตามเนี่ยมันมีผลประโยชน์สองสองผลประโยชน์ด้วยกันประโยชน์แรกก็คือบุญแล้วประโยชน์คือความสุขใจที่ได้จากความเสียสละของเราเรามีเงินร้อยบาทแเรายอมเสียสละเงินร้อยบาทนี้ให้เพื่อทําประโยชน์ให้กับคนเลยอันนี้จะทํากับใครนี้เหมือนกันจะทำกับสุนัขทํากับพระทํากับคารวะญาณโย ก็จะได้ความรู้สึกที่สุขที่สุดใจสบายใจเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่สองที่เราจะได้จากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยนี่ต่างกันถ้าเราทําบุญกับสุนัขมันก็อาจจะหา่าหรืออาจจะหลุดทานตอบขอบคุณเราถ้าทําบุญกับพระถ้าอาจจะพูดธรรมะให้เราฟังอันนี้ถ้าไปคุยกับจรมันอาจจะมาคุยวิธีขโมยข่าของให้เรารู้จักก็ได้ เขาก็จะคุยกับเราในเรื่องที่เขารู้อันนี้เราต้องเลือกถ้าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปทำบุญกับคนที่มีธรรมะแต่ถ้าเราต้องการรู้จักวิธีโกงในตลาดหุ้นนี่ทำอย่างไงก็เราไปคุยกับคนที่ก็ไปคุยกับเขาอยู่ดีเขาคงไม่พูดแต่ถ้าทำบุญกับเขาหน่อยให้เงินเขาหน่อยเขาก็อาจจะพูดเล่าให้เราฟังได้นี่แหละก็คือประโยชน์ที่สองนีน่จะต่างกันจากบุคคลที่เราไป ทำบุญ ด, ด้วยไปสนับสนุนเขาเขาก็จะให้ความรู้กลับมาให้กับเราตอบแทนบุญคุณมาให้กับเราไปคุยกับหมอหมอก็จะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องวิชาที่หมอรู้ใช่ไหมอันนี้รีบฉีดวัคซีนเพิ่มนะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ประโยชน์ต่างกันไปพระอาจารยครับแต่ทำไมาบางครั้งเวลาที่ทําบุญกับอย่างผมทาบุญกับพระ บ า, บางองค์หรือทําบุญกับพระอาจารย์นี้ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับพระอาจารย์ครับกับ <ปะ S 1> พราอุปทานของเรานะอุปทานของเราเราเราแบ่งเราแยากว่าพราะลูกนี้กับพระรูกนี้มี ม, มีมีธรรมะแตกต่างกันไประดับจิตท่านแตกต่างกันไปนั่นแหละทำใหเรารู้สึกว่าถ้าเราทํากับพระที่มีระดับสูงพึ่นเราจะได้ความสุขมากอันนี้มันเป็นอุปทานเป็นความคิดปลูกแต่งของเราเ ถ้าเราไม่รู้เลยบางทีเราเจอผ้าอาหารกับเจอผ้าธรรมดาแต่ผ้าอาหารนี่ขี้ริ้วขี้เหล็แต่พระธรรมดานี้กำเรียบร้อยสํารวมนะ่าอาจจะคิดว่าเราทําบุญกับผ้าเรียบร้อยสํารวมนี่ได้มีความสุดมากกว่าทำบุญกับผ้าขี้ลิ้วขี้เหล็กนะครับอันนี้มันเรื่องเรื่องจิตใจของเราคิดไปเองคุณสิริพัฒครับ จะทำอย่างไรถึงจะระ ง, งับความโกรธความหงุดหงิดภายในใจได้คะขอความเมตตาคะ่ะถ้าเกิดขึ้นแล้วมาต้องใช้สติใช้คําว่าพุโทโธพุโทโธพยายามพุโทพโธไปสวดมนต์ไปก็ได้นะอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธ ถ, ถ้าเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับการสวดมนต์ไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธแล้วความโกรธก็จะหายไปแต่จะหายไปชั่วคราว ถ้าเกิดเรากลับไปคิดใหม่กับเรื่องเก่าอีกมันก็จะโกรธขึ้นมาได้เราก็ต้องสอนหรืองต้องพูดถอยวิธีที่สองที่จะที่จะแก้ปัญหาความโกรธก็คือเราต้องยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากความอยากความต้องการของเราพอเราอยากเราต้องการแล้วพอไม่ได้แล้วใจอยากเราเราก็โกรธนี่เราก็ต้องพิจารณาว่า สิ่งที่เราอยากหน้าบางทีมันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะได้เขาไอยากให้เขาทาดีกับเราพูดดีกับเราแต่เขาไม่ดีกับเราเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่อยู่ภายใต้อํานาจของเราที่จะไปสั่งให้เขาทําตามที่เราอยากได้ถ้าเราให้เห็นว่าเขาเป็นอนัตตามันฝนตกแดดร้องนี่เราไปสั่งก็ไม่ได้ฝนไม่ให้สั่งให้ฝนไม่ตกไม่ได้ อันนี้ถ้าเราเห็นว่าเราไปอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราก็เปลี่ยนความอยากนะว่าเราโม้เองเราไปอยากในสิ่งที่ที่เป็นไปไม่ได้พอไม่ได้แนละ้วเราก็เลยโกรธเราก็เลยเสียใจอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งใช้ปัญญาพิจารณะสิ่งที่ทําให้เราโกรธว่าเป็นไปนะ ไ, ไม่ไอยากไปอยากในสิ่งที่เราโกรธอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา เราก็จะไม่โลรธคุณอาพรครับตอนนี้ไม่มีลูกคู่ครองก็เสียชีวิตแล้วอายุ70ปีแล้วอยากถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรบางครั้งรู้สึกสับสนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวครับก็เพราะเราไม่เคยศึกษาคาสอนพอทธนเจ้ามา ก, ก่อนเราก็เลยที่ว่าชีวิตของเรานี้อยู่กับสิ่งที่เรารักอยู่กับสามีอยู่กับคู่ครองอยู่กับลูกอยู่กับอะไร แต่พออายุกแก่เข้าแก่เข้าเมื่อไม่สั้นไม่มีสิ่งที่เราลากอยู่ขอราแล้ ว, ลวเราก็เรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปไมแต่ควาจริงถ้าเราศึกษาธรรมะพระเจ้าสอนนะว่าอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อย่าไปยึดติดกับของไม่เที่ยงเพราะเวลาที่มันหมดไปมันจะทําให้เราทุกข์น้ำยุดเสร็จสนิสัยความสุขทางตาหูจหมูกนิ้วกายจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นของไม่เที่ยง พอมันหมดไปแล้ามันจะทําให้เรา ว, าว้าวเองเร้าสร้อยน้อยหน่อยไม่มีความสุขพระเจ้สอนให้เรามาหาความสุขอีกรูปแบบคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมสามขั้นในการทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาถ้าเรามีการทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนาอยู่เรื่อยเรื่อยเราจะมีความสุขถึงแม้ว่าคนนอบข้างเราจะตายไปจากเราไป เราจะไม่เดืดอดร้อนกับการจากไปของเขาเพราะเรามีแหล่งของความสุขแหล่งใหม่ที่เราสามารถสร้างได้เติมได้ตลอดเวลาเพราะฉนั้นต้องศึกษาว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลไม่ได้อยู่ที่ลาบยศรเสริญอยู่ที่เลือกเสียงกินลดแอยู่ที่การทำบุญนักษาสิงาวนาอันนี้แหละจะเ ป, เป็นวิธีที่จะทาให้เรามีความสุข เราสามารถทําได้จนถึงวันตายคุณเฉลิมครับเคยทราบว่าถ้าใครทําบุญมากๆดวงจิตพุ่งไปสวรรค์เลยไม่ต้องผ่านสํานักพยาลมใช่ไหมครับอาจารย์สํำนักพยาลมันไม่มีหรอกมันมันก็สมมุติกันขึ้นมาเอยถ้าทําบุญมากมันก็จะขึ้นไปสวรรค์ชั้นสูงขึ้นสวรรค์นี่มีหกชั้นด้วยกันเหมือนใช่ยิงจรวดขึ้นท้องฟ้าเนี่ย ถ้าเจริญมีกำลั น, นมากมาก็ขึ้นไม่ค่อยสูงนะถ้าเจริญถ้าเจริญมีมีพลังมากมันก็ขึ้นมาได้สูงกว่าบุญนี้เป็นเหมือนพลังของของเจริญหรือเป็นพลังของจิตที่จะผ่านด่นจิตให้ขึ้นไปสู่ที่สูงบุนมากก็จะขึ้นไปสูงถ้าทําบุญได้น้อยทั้งร้อยนี่ก็ไปสวรรค์ขั้นหกถ้าทําได้แค่หนึ่งในหกนั่นในหกชั้นก็อยู่ขั้นที่หนึ่งถ้าทําได้สองในหก ก็จยากขึ้นไปอยู่ชั้นที่สองสวรรค์นี่มีออกชั้นสวรรค์นี้เกิดจากการทำบุญับทานกิดจากการเสียสละเก้าของเงินทองของเราทรัพย์สินของเราถ้าเราบริจาคทรัพย์สินไป็หนึ่งในหกเราก็จะได้ขั้นที่หนึ่งถ้าเราบริจาคครึ่งหนึ่งสามในหกเราก็ได้ขั้นที่สามถ้าบริจาคหมดเนื้อไปบวชนี่เราก็จะได้ขั้นที่หกนพอเราจากก้าวจากขั้นที่หกเข้าไปสู่สวรรค์ขั้นผมต่อไปได้ แต่ยังไงขึ้นไปก็ตกอยู่ดีนยใช่ไหมครับพี่นอ๋อก็ต้องก็เป็นถือว่าเป็นก้าวมันได้เพื่อขึ้นไปเพื่อให้ไปไปแบบไม่ให้มันใช่มันถึงขั้นที่มันไม่ตกลงมาแต่ต้องไปถึงขั้นปัญญาขั้นทานแล้วก็ไปขึ้นขั้นสมาธิพอขั้นสมาธิแล้วขั้นทานกับขั้นสมาธินี่ยังตกลงมาได้ขั้นทานก็เป็นเทศขั้นสมาธิก็เป็นพรหมเราต้องก้าวข้ามจากขั้นสมาธิขึ้นไปสู่ขั้นปัญญา พอเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วก็จะได้ขั้นของพระอริยบุคคลนี้พอได้อริยบุคคลแล้วไม่ตกลงมาเหมันโซนามันก็ไม่ตกลงมาต่างกันนั้นนมีแต่ขึ้นสูง ข, ขึ้นไปเรืเ่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดตามลําดับต่อไปคุณเปียรัตครับถ้าจิตเริ่มสงบแต่สงบได้แป๊บเดียวก็หลุดออกมาควรจเจริญสติเพื่อเข้าสู่ความสงบต่อเลยไหมคะ ทำได้ก็ดีคนจะทํ า, ท ถ, าถ้าถ้าถอได้ก็ทำต่อเลยทอีกรอบหนึ่งยังไม่ต้องลุกขึ้นถ้าเราอยากจะให้จิตสงบมากขึ้นนานขึ้นเราก็ต้องทำต่ออย่างมีคําถามเรื่องจิตสุธายอยู่เรื่อยๆนะครับอาจารย์เข้าใจผุดกันเนยอะเรื่องจิตสุทธายคุณแฮปปี้ครับทําอย่างไรให้จิตสงบทุกขณะ ถ้ามีความสติถือว่าก็ต้องมีพุทโธอยู่เรื่อยๆนะจิตก็จะมีสติอยู่เรื่อยๆพออะไรมาพูดอะไรมาัำผันอะไรกับเราจิตเราก็จะเฉยได้ถ้าเรามีพุทโธมีสติคนเข้มชีลาครับก่อนจะเดินทางไปถึงจิตสุดท้ายซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ เราจะทําอย่างไรให้จิตอยู่นขณะจิตสุดท้ายนั้นคะเราจะรู้ไหมคะว่านั่นคือจิตสุดท้ายของเราแล้วจิตสุดท้ายของเราควรจะเป็นจิตปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันเราเป็นยังไงเวลาตายามันก็จะเป็นอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนหรอกที่ว่าเราจะทําให้มันมากขึ้นดีขึ้นหนือนเรือเร็วลงแค่นี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามการกระทําของเราถ้าเราปฏิบัติ สติมากขึ้นนั่งสมาธิมากขึ้นจิตเราก็จะดีขึ้นไปสงบมากขึ้นไปถ้าเราจะเรียปัญญาได้ก็ยิ่งยิ่งจะดีใหญ่แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้แล้วถ้าเราไปทําบาปมากมันก็จะเสื่อมลงไปจิตของเรานี้อยู่ที่การกระทําของเราทําบุญหรือทําบา คุณแคทครับปกติมักจะนอนฝันร้ายและถ้าเวลาป่วยทานยาทําให้ฝันร้ายเพราะเวลานั้นเราก็ไม่มีสติที่จะพุดโธหรือนึกถึงบุญได้ที่ไหนเจ้าค่ะคือเวลานอนหลับนี่เราไม่มีสติอยูแ่แล้วเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้จิตนึกถึงบุญได้นั่นนั้นมันจะเป็นอัตโนมัตมันอยู่ที่ว่าบุญกับบาปอันไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะออกมาแสดงตนถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะออกมาแสดงตน บุญแม้งงจะมีอยู่บ้างก็ไม่สามารถที่จะสู้กำลังของบาปได้มันต้องรอใ้จะกว่ากำลังของบาปจะน้อยกว่าบุญบุญถึงจะแสดงผลได้ไดถ้าคุณนอนหลับแล้วฝันร้ายอยู่นี่ก็แสดงว่าบาปของคุณที่ทํามานี้มากกว่าบุญที่คุณทําไปดงั้นควรรีบทําบุญให้มากขึ้นดีกว่าแล้วลดการกระทำบาปให้น้อยลงเพื่อที่เราจะได้ทําให้บุญนี้มีกําลังมากกว่าบาป แล้วต่อไปคุณนอนหลับคุณก็จะฝันดีได้คุณสุกัญญาครับขอกราบเรียนถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเมื่อเราตายร่างกายก็ดับไปเป็นอนัตตาแต่จิตไม่ตายยังคงไปเสวยบุญเสวยกรรมแปลว่าจิตไม่ตายจิตไม่เป็นอนัตตาหรือเจ้าคะจิตก็เป็นอนัตตาแต่เราไปคิดว่ามันเป็นอัตตาเราไปคิดมันเองมันเป็นอัตตาความจริงมันเป็นอนัตต า, า, นน า, ตาไม่มีไม่มีอัตตาใน ไม่มีตัวตนในสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าง ต, ตัวตนเกิดจากความหลงของจิตเองจิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองเหมือนคนโบราณที่ไปหลงที่ว่าน้องที่แบรนด์นั่นนี่แต่ไม่ใช่เป็นความจริงล้องนี่มันโกงแต่คนที่ก็สามารถไปคิดว่ามันมนแบรนด์ได้เห็นไหอวิชชาหรโมหะมันก็ทําให้จิตอราคิดว่าจิตเป็นเป็นตัวตนพระอาจารย์ครับอย่างที่บอกว่าพระ อนาคามีนี่ก็ยังเข้าใจว่าจิตเป็นตัวตนอย่างนี้จริงไหมครับพระอาจารย์ครับต้องเป็นพระอนาคา ม, าคามีท่านก็ยังท่านก็ยังมีอัตตาตัวตนต้องถึงห้าหลานะถึงจะ่าอัตาตาถูกตนได้เพราะบ้านาคามีนี้ลเพียแต่ร่างกายนะครับนี่ไม่ได้เห็นว่าร่างกายเป็นตัวตนตั้งแต่แตว่าโสดาบันนะโสดาบันเนี่เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวตน จะไดน้านาคามีระกามะนมในร่างกายของผู้อื่นได้ความอยากจะเสดกรรวมเสดกรกับร่างกายของผู้อื่นได้เพราะเห็นว่ามันไม่สวยงาม น, นะเมื่อก่อนมักจะเห็นร่างกายของผู้อื่นว่าสวยงามหน้าดูหน้าชมหน้าละพอจะเจริญสุภาพอิเลี่ยนก็จะทําให้ความอยากที่จะร่วมเสดร่วมหลับนอนกับคนอื่นให้ไป แต่ก็ยังมีตัวตนอยู่จิตยังมีตัวตนต้องไปกล้สั่งโยมเรื่องบนคืออวิชาละมานะมานะยังมีอยู่ในจิตอยู่อาหนะมานะได้ ะ, าะตาตุตนได้คุณพ ร, รัตครับผมอยากถามว่าการสร้างความดีใช้ชีวิตไม่ประมาทไปกระทั่งถึงจิตสุดท้ายทําให้มีชีวิตความมีความสุขถึงว่าสุดท้ายของชีวิตได้อย่างไรครับ เพราะความดีทําให้จิตสมบูรณ์จิตมีความสุขความดีเมันเหมือนน้ำแข็งเหมือนเครื่องปรับอากาศเวลาเราทําความดีใจเราจะเย็นใจเราจะสบายเวลาเราทําชั่วนี้ใจเราจะร้อนใจเราจะวุ่นวายทําความดีสาระดับทานศีลภาวนานี่เป็นเครื่องปรับอากาศของใจเหมือนกับเครื่องปรับอากาศในห้องในบ้านเราเวลาร้อนเราติดเครื่องปรับอากาศแล้วมันเย็นสบาย ทันใดเวลาเราทําทานเวลารักษาธิได้เวลาเราภาวนาไดา้จิตเราจะเยจิตเราจะมีความสุขต้องต้องลองทำดูคือถ้าถ้าคิดถึงสร้างความดีมันเป็นคํนกากลางๆที่มันไม่ชัดเจนนะความดีอะไรมากผมัป็นคนคิดว่าสร้างความดีก็คือเพียงแต่ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นมากช่วยคนนั้นช่วยคนนี้บ้างเราเป็นความ อันนี้ก็เป็นความดีแต่นั้นเป็นระดับน้อยระดับต่ำการทําทานนี่มันเป็นระดับต่ำสูงมันก็ระดับศีลึูงกว่นั้นก็ระดับภาวนามันมีสามระดับด้วยกันคุณสมพรครับ ข, ขอคําแนะนําการมาปฏิบัติในขบมาที่วัดยานว่ามีระเบียบการสมัครอย่างไรน้อมกับขอรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวนวันที่ปฏิบัติที่พักอุปก ร, กรณ์ที่ต้องเตรียมไปครับขอกวามเมตตาครับ อ, อันที่ต้องรับผู้นัดติดตอ่อกับพนัก ง, งานของของวัดญาณเองมีกาเข้าไปดูในเว็บไซต์อเน็ตเพจของวัดญาณได้เฟซบุ๊กก็เข้าไปเสิร์ชคำว่าวัดญาณสามวาราลแล้วเขาจะมีเบอร์โทรสามให้ติดตอ่อกับผู้ผู้ดูแลสถานที่พักได้ว่าต้องทําอะไรว่าต้องเตรียมอะไรเราเงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วย มีคำถามที่คล้ายๆกันนะครับอาจารย์เรื่องจิตสุดท้ายที่จะทําให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงทําให้จิตเราไปสู่พบภูมิที่ดีได้เจ้าคะมันเป็นสิ่งที่ยากมากก็ทําบุญหนละบาน่ปมิจาสอนให้เราทําบุญละบาปพระพุทธเจ้าทุกทุกประมาตสรุ่นก็มาสอนทาแค่สามข้อเนี่ยทําบุญละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างบุญ ส, สอนได้ถึงพร้อม แล้วชำระจิตใจให้สะอาด ห, หมดสาาินี่คือวิธีที่จะทำให้จิตเราไปสู่พบที่ดีแล้วไม่ต้องกลับมาเวียนมากตายเกิดหรือไปถึงพันธิฐานได้คุณโทมิครับหนูปฏิบัติจิตสงบได้ฐานจิตที่ตั้งภายในเป็นอัตโนมัติวกเข้าไปก็พบทุกครั้งสงบสบายเจอต่อมผู้รู้อยู่ภายในกายนี้พิจารณาขันห้าทิ้งร่างกายได้หากจิตออกจากร่างก็อยู่กับผู้รู้นี้ แต่รู้ว่ากิเลสยังไม่หมดจะภาวนาให้เจริญในขั้นอนาคามีอย่างไรคาเขาอุบายพิจารณาเจ้าขาก่อนกที่เราคิดว่าเราทิ้งร่างกายได้เราไปพิสูจน์ดูเนี่ยถ้าเราคิดเพียงแต่ว่าเราทิ้งได้แต่เรายังยึดยังยังไม่เคยให้ร่างกายนี้ไปเจอกับเหตุการณ์จริงๆเหตุการณ์ที่จะทําให้สูญเสียร่างกายนี้ไปจริงๆริเราต้องไปทดสอบดูก่อนหน้า เราไปอยู่ในที่เปรียบที่กลัวได้ไหมเราที่ไม่มีความรู้สึกหวั่นไหมไม่กอกว่าตอนนี้มีสั่นไล้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลองไปดูไปพิสูจน์ดูก่อนว่าเราเราปล่อยวางร่างกายได้จริงห ร, รือเปล่าพราะบางทีเพียงแต่ความคิดนี้มันไม่มั น, ม น, มนหลอกเราได้นะความคิดนี้มันอาจจะมันไม่ได้เป็นไปตามตามความจริงก็ได้เป็นคนที่เคยกินเหล้าหลอกตอนนี้เราเลิกกินเหล้าได้แล้วก็คิดได้เดี๋ยวพาถึงเวลา ถึงเวลาที่ใครกินเล้าเพราะเกิดความอยา ก, กินเล้าขึ้นมาจะจะสืนมันได้หรือเปล่าหมันได้หรือเปลต้องมีการทดสอบไม่ใช่อยู่ที่เพียงแต่ความคิดเฉย ๆ, ๆนึงอย่างเดียวครับอย่ากเพิ่งประมาณอย่าเพิ่งไปสำรวจง่ายๆว่าเราผ่านเตุการณ์ที่มันสยองขวัญแล้วเราใจเรานิ่งเฉยไม่เดือดร้อ น, นได้หรือเปล่าไปเจอเการที่ เสียเป็นเสียงตายขึ้นมาอย่างเนี้ยจะ อ, อุบัติเหตุลดความเมตตใจเราเป็นยังไทงทำที่มันเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นขึ้นมาหรือเจอโร้ายยจอโรครายที่อาจจะตั้งตายภายในเดินสองเดือนนี้ดูเสียใจเป็นยังไงมันต้องมีอะไรมาพิสูจน์ก่อนไม่ใช่อยู่ยดีๆเรามาสรุปขึ้นมาเองของเราโดยที่ไม่มีอะไรมาทดสอบจิตใจของเรา อันนี้นะขั้นของการปล่อยวางร่างกายมันต้องมันต้องรู้ด้วยประสบประการมัไม่ใช่รู้จักเพียงแต่ความคิดเพียงอย่างเดียวชนะนเรื่องของการเจรจาอสุภะนี้อละการกา ร, การมาราคะเพื่อให้มนุษย์ถึงขั้นอนาคารีนี้ก็ต้องพิจารณาอาสุภสะตลอดเวลาพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายเช่นนะัในนใ้ให้เห็นอาการสาสองของร่างกายเห็นอวัยวะภายในต่างๆ เลยเห็นเวลาที่ร่างกายเป็นซากศพเป็นศพที่เน่าขึ้นอืดพองขึ้นมานี่เราถึงจะสามารถลนะก า, การการมันกิเลสได้นะบรรย์ถึงขั้นพรนะอนาคามีได้คุณนิพพาครับลูกเคยได้ยินว่าคนตายแล้วฟื้นบอกว่าจะมีข้าวปลาอาหารที่ได้ตักบาตรรออยู่แล้วคนที่ทําบุญที่ไม่ได้ตักบาตรก็ไม่มีกิน ลูกได้ทําทานโดยการบริจาคอหิตตามมูลนิธิพนจนตักปากน้อยมากค่ะเพราะลูกเห็นพระในเมืองยืนจ่อรอค่ะเอาบุญนี้มันแทนกันได้แ้่มันไม่จำเป็นว่าทํำทถ่บาตแล้วจะได้ไดกระเข้าวอย่างเดียวเพราะว่ามันจะบุญนี้มันจะทําให้ใจเราเองไม่ว่าจะเป็นบุญชนิดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ก็คิดกันไปเอง มีคุณกุ้งวราบอกว่าเพิ่งฟังพระอาจารย์เมื่อตอนบ่ายกำลังหาคำตอบบางอย่างเรื่องจิตอกุศลที่เกิดขึ้นไม่ชอบคนอื่นอาจารย์สอนการทำสมาธิและใช้ปัญญาเมื่อออกจากสมาธิน้ำตาลไหลเลยคานับว่ายังมีบุญได้ฟังค่ะคุณสุตตาครับเห็นคนที่เขาไม่ทำตามกฎระเบียบของสังคมเช่นบางคนมักง่ายจอดรถในที่ห้ามจอดไม่เก็บรถเข็นในที่ควรเก็บพอเห็นแล้วรู้สึกไม่พอใจ เราจะแก้อารมณ์นี้ยังไงคะรู้สึกว่าตัวเองไม่พอใจคะแต่ห้ามไม่ทันครับเราต้องมองว่าเหตุการณ์นี่เป็นเนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกนมนมพัดภูเขาไฟระเบิดอะไรงนงี้ถ้าเราเห็นเกเหตุการณ์ทางธรรมชาติเรามักจะรู้สึกเฉยเฉยว่าเราเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้เ ห, ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นไปตามเรื่องของเขาอันนี้ก็เหมือนกัน การกระทำของคนต่างๆในสังคมนี้ก็แบบต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางคนก็มีระเบียบบางคนก็ไม่มีระเบียบบางคนก็มักง่ายบางคนก็เสียสะละเคารพกฎเคากติกาเห็นใจเห็นความรู้สึกของคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติของคนที่มันมีหลากหลายด้วยกันเหมือนดินฟ้าค่ะที่มีหลากหลาย เราต้อ ง, งมอมคนว่าเป็นเหมือนยินตาการแล้วเราจะสบายใจอนัตาพระเจ้าบอกสัพเพ昙มาอนัตตาทำทัำ้งปวงเป็นอนัตตาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวตนมาจากสารได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณวรรณภาครับมีครั้งหนึ่งที่ขับรถเร็วในขณะฝนตกแล้วเกิดอาการเหินน้ําค่ะช่วงขณะนั้นเพียงกระพริบตาจริงๆใจเรามันดังขึ้นมา ว่าตายมีคําว่าตายตัวใหญ่ปรากฏขึ้นมาและสิ่งต่างๆทั้งในมันก็วิ่งขึ้นมาให้เห็นมากมายแม้แต่เรื่องที่ลืมไปแล้วแม้แต่ความหวงห่วงต่างๆบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ค่ะวิ่งขึ้นมาเองไม่หยุดเลยจิดสุดท้ายเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยค่ะเพนานจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่นอันนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเรายังไม่ตาย ยังไม่เจอจิตสุดท้ายเราอะไรไม่รู้ว่าจะตอบยังไงแต่ฟังดูแล้วมันก็น่าจะเวลาจิตตกใจเนี่มันควบคุมสติไม่ได้เหมือนตอนอนตอนที่เรานอนหลับตอนนอนหลับลเราไม่มีสติงั้นจิตมันจะผลิตอะไรมาให้เรารับรู้มันก็ผลิตได้ตอนแม้ตอนนั้นแบบเดียวกันนะคุณสิริออนครับ ถ้าเราทำบุญกรวดน้าให้พ่อแม่แต่ตอนเขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่เขาเชื่อเรื่องกรรมเขาจะได้รับผลบุญที่เราทำให้ใหไหมคะก่อนเขาเสียชีวิตเขาสวดมนต์จีนคะ่ะเือต้องต้องอธิบายก่อนว่าดวงวิญ ญ, ญาณที่ตายไปแล้วเนี่ยมีหลายระดับด้วยกันมีระดับเดียวท่านที่จะมารอรับชลบของผู้ไม่ว่าจะไปนับถือศาสนาอนไก็ไม่สาคัญ ตนดวงวิญญาณมันหิวว่ะมันมันไม่มีมันไม่มีความสุขมันหิวมันก็ต้องมาขอส่วนบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ทําบุญทิพย์ไปให้กับเขาทีนี้ถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณนี้ในตอนที่เขาตอนที่เขาเป็นมนุษย์นี่เขาไม่เคยเชื่อเรื่องอุทิศบุญเขาอาะเขาอาจจะไม่ึ้นมาขอบุญจากใครก็ได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องการอุทิศบุญเรื่องของการรับบุญมาเป็นไป อันนี้พูดไปตามคำวิเคราะห์ข อ, ของเรานะว่าถ้าเป็นดวงวิญญาณแล้วเวลาหิวไม่รจะไปที่ไหนเพราะเพราะไม่มีใครสอนว่าไปที่วัดเสียที่วัดมีคนทำบุญนลมีคนอดชิ้นบุญให้อยู่เรื่อยๆเข้าไปรอรับบุญได้หรือไปหาพี่น้องไปหาพี่น้องไปเข้าฝันก็เขามาได้เข้าไไขฝันว่าว่าตอนที่ฉันลา บ, บากมาอเกินช่วยทําบุญช่วยสมบุญมาให้เราหน่อยอันนี้หลัะเป็นดวงวิญญาณที่จะรอรับ แต่ถ้าโนบินะที่ก็ไม่สนใจเรื่องเรื่องการที่จะมารับบุตรที่เราอุทิศเขาก็ไม่มารับเห็นไหมอันนี้เราพูดให้ฟังก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราอุทิศให้เขาแล้วเราคิดว่าเขาจะรอรับบางทีเขาไม่มารอรับก็ได้หรือเขาไม่รู้ว่าจะจ ะ, จะมีคนมาอุทิศให้เขาในตอนนั้นดงั้นส่วนใหญ่ตามความหลับความจริงของการทําบุญทิศนี้ต้องร้องให้เขามาขอก่อนแล้วเราถึงค่อยอุทิศให้เขาเข้าใจไหม เนีหลักความจริงของมันมีนิทานเรื่องหนึ่งบางที่ที่ทําให้มีเรื่องบุญอยที่นี้ขึ้นมาเรื่องมีพระเจ้าแผ่นดินเนาะท่านบอกท่านคือหนึ่งท่านเกิดมีปรากฏการในพระราชวังนี้มีก็ไม่รู้มีอะไรมีดวงวิญญาณไม่มาส่องแสงโวกเวกน่ากลัวแต่พระท่านทําให้ท่านนอนไม่หลับตอนช้าก็เลยไปกราบทูลถามพระเจ้าว่าเป็นอะไรพระเจ้าบอกว่าเป็นอมตะเก่า ในพบก่อนไม่ใช่พบนี้นะพบก่อนท่านเป็นกษัตริย์และท่านก็มีอมตะคนหนึ่งแล้วท่านก็เชื่ออมตะคนนี้เลยฝากเงินให้อมตะคนนี้ไปทําบุญแทนประจำแต่ออมตะคนนี้มีความโลภเลยเก็บเงินบางส่วนไว้ใช้ส่วนตัวพอตายไปเขาดวงวิญญาณเขาก็เลยไปเป็นเปรตที่เขาก็นึกถึงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเขา เราก็ยอยากจะมาขอให้ท้าพระองค์ได้เมตตาช่วยส่งเคสส่งบุญมาให้เขามากพระเจ้าแผ่นี้นกรถามว่าส่งยังไงพระเจ้าก็บอกให้ทําบุญทําทานไถ่บาตรลิ้มพระอะไรทำนองนี้นแล้วเสร็จแล้วก็กดนะ้ําอุทิศบุญให้กับเขาไปอ น, นี้ก็ที่มาของการอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณที่น้องรักกันนะอันนี้ต้องมีมีเหตุทําให้ทํา ไม่ใช่อยู่ดีๆแลอยากอยูอย่อุทิตก็อุทิตไปอุทิศได้แต่จะมีคนมันมีดวงวิญญาณมา น, านั่งหรื่านี่ไม่รู้อาจารย์นะเพราะดวงวิญญาณที่เราอากอดจำอุทิตข้าจะไปเป็นเทพก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เพราเป็นเทวดากา็มีบุญมากกว่าบุญที่เราจะส่งไปให้เขาก็เหมือนกับจะเอาเอาเงินนงินให้ขอทานแต่ให้เศรษฐีเนี่ยเศรษฐีจะมารอรับนะอาจารย์นะ การยบรูอุทิศบุญให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆมันต้องมีเหตุคือต้องมีใครก็มาติดต่อจะมีดวงวิญญาณมาหาเราแล้วมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วตอนอย่างนั้นอ่ะเราเราถึงจะทาได้เขาต้องมีทำเยียมว่าอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดฝันเห็นคนตายก็ให้คิดว่าดวงวิญญาณมาหาเราแล้วถ้าเห็นคนตายวันี้เช้าบกว่าก็ใสาบาทรแล้อุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณทั้งไป แต่ก็อาจจะเป็นความความคิดปรุงแตกก่งของเราเองก็ได้อาจจะไ ม, ม่ไม่ใช่ดวงวิญญาณมหาราจิงๆกนได้ถ้าเราไม่มีอุปจราระสณะที่เราจะไม่รู้ว่าเราติดต่อกับดวงวิญญาณได้หรือไม่คุณแต้มสีครับพระนักปฏิบัติรูปหนึ่งเคยสอนว่าเมื่อมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่าอ่านหนังสือเพราะเหตุใดคะตอนนี้พระรูปนั้นได้มรณภาพไปแล้วนะครับ เพราท่านต้องการให้เน้นเราให้ปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยการปฏิบัตินี้ถ้าเราไปอ่านหนังสือบางทีท่านเป็นหนังสือที่มันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติมันก็อาจจะทําให้เสียเวลาได้แต่ถ้าอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติมันก็เสริมความรู้ในการปฏิบัติของเราได้เหมือนกันแต่ท่านอาจจะเห็นว่าไม่มีหนังสือที่เหมาะให้อ่านก็เลย ไ, ไม่ให้อ่านาหรืออ่านท่านอาจจะมาอ่านหนังสือทั้งโลกรูอปล่าเช่นที่วันป่ามันตัดท่านก็ไม่ให้อ่านหนังสือผิด สมัยก่อนแม่แม่ก็อ่านหนังสือเพียถ้าอ่านหนังสือทางโลกมันก็จะทําให้ใจฟู้งร้างขึ้นมาแต่ถ้าอ่านหนังสือธรรมะนนี้ก็ท่านก็ไม่ห้ามเพราะตอนที่เราอยู่ที่ว่าท่านวันหนึาา่งเราก็อ่านว่าจะชั่วโมงอ่านหนังสือธรรมะของท่านรว่าจะรอให้ท่านมาอบรมเทศก็ต้องรองหลายวันสีห้าวันห้าวันถึงจะเทศสักครั้งหนึ่งแล้วก็อาศัยอ่านหนังสือหลงท่านเป็นการ การฟังเทศแทนไปได้คุณสมพรครับสอบถามพระอาจารย์พระวัดป่าสายวัดป่าต่างกับพระสายทั่วไปที่ไม่ใช่สายวัดป่าอย่างไรบ้างครับน้องกราบสอบถามพระอาจารย์ว่าโยมจะทราบได้อย่างไรว่าวัดที่ไหนเป็นวัดสายวัดป่าครับคือแนวทางการปฏิบัติไม่เหมือนกันถ้าเป็นพระวัดบ้านนี้ท่านจะไม่ปฏิบัติทูดกขวั สองท่านจะไม่ปฏิบัติกรรมฐานคือไม่ไม่มีการนั่งสมาธิไม่มีการเดินจงกรมกันท่านจะเน้นไปในทางกิจทางด้านอื่นคือกิจนิมนต์าตยมท่านที่จะไปบินดาบาก็ให้นิมนให้เก็บไปรับกิจนิมนแทนญาติยมนิมนไปฉันเช้าบ้างฉันเพลินบ้างท่านก็ไม่ต้องออกบินาบาบ ท, ท่านก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถือทุนลงคะวัชเช่นการบินาบาบเป็นวัน ถ้าเป็นาพาะปฏิบัตินี่ท่านจะถึงการบิณฑบาตเป็นวัดเป็นข้อวัดปฏิบัติประจาท่านยังไม่รับกลิ่นนิมนต์ต่างกันนแล้วท่านก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับการเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในสถานที่สงบส่วนถ้าเป็นพระที่ไม่ใช่เป็นพระปฏิบัติท่านก็อาจจะใช้เวลาไปกับการพิธีกรรมพิธีกรรมให้กับญาติโยมต่างญาติโยมมาวา่บ้างเาสังฆ ท, ทานมาถวายบ้างเอาภาพบางสกุลมาให้ชัก บ, บ้าง แล้วนิมือนให้ไปสวจสอคนตายบ้างท่านก็นจะทําภารกิจเหล่านี้เป็นอีกคำหนี่งท่านอาจจะทําก็คือช่วงเข้าพรรษาท่านก็อาจจะเรียนหนังสือเรียนนักทำตีตัวเองเรียนบาลีภาพปฏิบัตินีท่านยัไม่เรีมากท่านจะเรียนเพียงคำเรียว่าสติเป็นยังไงก็าขอแล้วก็ไปฝึกเลยไปปฏิบัติเลยเรียนวัตถุองกวาสมีอะไรบ้างก็ปฏิบัติไปเลย อันนี้นไม่เรียนมาฉันจะเรียนแต่เฉพาะสิ่งที่ท่านตัองปฏิบัติท่านั้นคุณทีรัชครับคําถามครับจิตเดิมแท้จิตพระอาหารหันต์มีลักษณะเป็นอย่างไรและเหมือนหรือแตกต่างกันครับจิตเดิมแท้ก็จิตของพวกเราทั้งหลายเนี่เวลามันเข้าสู่ความสงบมันก็กลับสู่สภาพเดิออมของใหมมันนิ่งสงบตอนนั้นอิเลตตัญหาที่กลามา เพ่งท่านในใจเรามันก็สง บ, บตัวลงมันก็เลยเป็นเหมือนกับจิตที่ไม่มีกิเลสเหมือนกับจิตเดิมแท้แต่พอออกจากสม า, าอออกจากสมาธิมาพอมาคิดปูนแต่งมารับรูปสิ่งเกิดลดกิเลสมันก็ออกมาเพ่นท่านต่อจนจิตป้านา น, นี่เป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตที่ได้ชำระขัดเกาวกิเลสทัณหาให้หมดไปจากใจแล้วหลัง น, นั้นตรงนั้น จิตเดิมท้ก็จิตที่เข้าเข้าสู่สมาธิได้เข้าฌานได้ตอนที่อยู่ในฌานในสมาธิล้ว ก, ก็เป็นจิตเดิมแท้แต่พอออกมาจากสมาธิจิตเดิมแท้ก็หายไปจิตที่เป็นกิเลสกระโผมาแต่ถ้าจิตชองบ้านานี้ท่านชนระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นอาจะอยู่ในสมาธิแล้วไม่อยู่ในสมาธิก็ไม่มีกิเลสมันแสดงตอีกต่อไปและจิตบริสุทธ คุณมะโมครับเคยได้ยินคนพูดเรื่องการตายก่อนถึงวาระตายแบบยังไม่ถึงที่ตายเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงหรือไม่เจ้าคะไม่จริงหรอกวันเรามันพอถึงไม่มถึงเวลาตายก็ตายเวลานั้นนะมันไม่มีเวลาก่อนและหลังเพียงแต่เราคาดไปเองว่าคนนี้คนน่าจะอยู่ทั้งแปดสิบปีนะแต่ไปอยู่ได้แค่เจ็ดสิบปีนี้ก็แสดงว่าตายก่อนมาแล้วอันนี้เป็นการใช้หลักกฎเกณฑ์ของสถิติ เป็นตอนนี้ก็มีสถิติใช่มากคนผู้หญิงจะมีอายุถึงเท่าไหร่ผู้ชายจะมีอายุถึงเท่าไหร่โดยเฉลีย่ยนะผู้ชายคนจะมีอายุได้75ผู้หญิงมีอายุได้80ถ้าเกิดตายก่อนนั้นก็เถอว่าตายก่อนมาละแต่ความจริงมันไม่มีเวลารหรอกเวลาตายแต่ละคนถึงเวลาตายก็ตายก็เวลาของคนนั้นแหละ เราตายตอนไหนก็คือก็ถือว่าเป็นวาระของเราตอนนั้นนะไม่มีก่อนไม่มีหลังคะคุณพหลังครับฝากถามหลวงพ่อครับผมขับรถแท็กซี่ตอนกลางคืนเจอแต่คนเที่ยวกลางคืนตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้เสี่ยงอยู่ในอบายามุกหรือเปล่าครับก็เสี่ยงที่จะควบเกีคนที่เสียงอบายามุกแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับเราได้ การไปเจอคนมึนเมาขึ้นมาก็อาจจะทําร้ายเราได้ป้นจี้ป้นเราได้งั้นถ้าเป็นไปได้อย่าไปขับตอนกลางคืนดีกว่าขับตอนกลางวันดีกว่าเองเนี้ยสถานที่ที่มีพวกที่้เศษอับใบอย่างพวกส่องสูงกันเราวพวนี้จะขาดสติไม่มีสติแ ล, แล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมาก็อาจจะกระทำ ทำร้ายเราได้กัรอารมณ์เสียขึ้นมาคุณสารินีครับเคยมีประสบการณ์หมอบอกมีเวลาอยู่ไม่เกิน5ปีรักแรกช็อกแต่เวลาผ่านไปตั้งสติเตรียมรับและพร้อมจะตายแต่ผ่านมาจะ3าปีแล้วยังไม่ตายตอนนี้เริ่มเริ่มกลัวตายอีกแล้วทำยังไงให้ตัวเองไม่กลัวตายเหมือนที่ผ่านมาเจ้าคะ เราต้องคิดว่าความตายมันยังมันยังไม่มันไม่มันไม่ลืมเรามันยังมันยังมารอเราอยู่ครับมันอาจจะมาวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ได้ให้คิดอย่างนี้ให้เจม่อนานนัสปิเสียด้วยเรานนคนเรานี่สามารถตายได้ทุกเวลาไม่ใช่ต้องรอให้หมอมาบอกก่อนวะาถึงจะถึงจะเชื่อว่าจะตายต้องเชื่อพระเจ้านีครับพระเจ้าบอกว่าคนเราหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย หายใจเข้าแล้วมาหายใจออกก็ตายให้คิดอย่างนี้เพื่อเราจะได้เตรียมตัวตายได้ตั้งแต่บัดนี้ไปคุณสมพรครับพลังจิตคืออะไรพลังจิตกับจิตมีพลังมีความเหมือนในความต่างกันอย่างไรครับพลังจิตก็คือพลังหยุดของจิตเนี่ยจิตสามารถอยู่เฉยๆได้นิ่งเฉยได้ไม่สะทอกระทืนกับอะไรที่มากระทบกับจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นร้อนถอดตะาคำสัรเสริญ น, นินทาโลกธรรมแปดทั้งหลายนี้แต่เวลหน้าเสื่อหน้นานี้จิตจะเฉยเฉยถ้าจิตมีพลังจิตไม่เดืดเต้นตกใจไม่เดือดร้อนไม่เสียหายหรืองการทุญเสียร่างกายไปก็ไม่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจถ้าจิตใจมีพลังจิตหรือเวลาเจอกับความทุกข์เจ็บปวดวนอน้นาวต่างๆของทางร่างกายก็จะรู้สึกเฉยเฉย นี่คือพลังจิตพลังนิ่งพลังเงียบก็ได้คุณพี่ต้องครับพระเราควรฝึกจิตให้แจ่มใสยอย่างไรดีครับก็จะเนด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติเจริญสติให้มากๆแล้วนั่งสมาธิพอจิตสงบจิตก็จ่มใสเบิกบานมีความสุขจากความสงบ คุณเหมียวครับเราจะนั่งเรานั่งภาวนาแต่จิตฟุ้งบ้างสงบบ้างเมื่อออกจากสมาธิเราแผ่เมตตาผู้ร่วงรับนั้นท่านจะได้บุญมากน้อยเพียงใดคะไม่ได้เลยการภาวนานี่เราเราไม่ได้บุญนะเพราะเรายังไม่สำเร็จประโยชน์จิตยังไม่สงบจิตฟุ้งซ่านเรเจะเอะไรไปอุู่ที่ให้เขาต้องเอาความสุขที่ได้จากการสงบถึงจะอุทินบุญนันได้ เพราะฉะนั้นเรื่องกันอุทิศบุญนี้ถ้าจะต้องการอุทิศทห้มนได้จริงๆก็ต้องไปทําบุญมทำทานเลี่ยคเพราะได้ทันทีวอนเราบริจากเงินไปรับปั๊บนึ่เราก็เกิดความสัตใจขึ้นมาทันทีในการจะอุทิศเราก็ต้องรู้ว่ามีผู้อรอนับอุทิศบุญจากเราหรือเปล่ปาถ้าเราไม่มีเราอาจจะอุทิศแบบแบบกลางกางไปก็ได้แล้วแต่ดวงวิญญาณไหนที่ยังไม่มีบุญต้องการอรอนับบุญอย่าง ก, ก็ขอให้เอาบุญส่วนนี้ไปก็ได้ อันนี้ก็อุทิศได้แต่อย่ามาอุทิศบุญด้วยการภาวนาวเพราะว่ามันยังไม่เกิดการภาวนาของเรายังไม่เกิดผลใจเรายังไม่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบสิ่งที่เราต้การอุทิศคือความสุขหุ่นใจแต่ถ้าเราไปทําบุญทําทานเราก็ได้ความสุขอีกแบบความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานอันนั้น่เราอุทิศได้ทันทีแต่ก็ต้องรู้ว่ามีผู้รอรับด้วยบ่าย ถ้าไมมีคู้รับนับก็อาจจะไม่มีใครมารับก็ได้แต่ก็ไม่เสียหายตรงไหนว่าบุญที่เราทิ้งนี้ไม่ได้เป็นบุญทั้งหมดที่เรามีอยู่ที่เราทําอยู่เป็นเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นเองบุญที่เราทิ้ไปน้อยมากเท่าที่ได้ยินได้ฟังนะท่านว่าเป็นเหมือนกับน้ําที่เหลือตกค้างอยู่ในแก้วตอนที่เราเทน้ําออกจากแก้วหมดแล้วนเสษน้ําที่ติดอยู่ในแก้วนั่นะเป็นนบุญที่เราทิ้ไปให้กับผู้ที่ร้องรัไปแล้ว คุณนาวาครับปกติเวลามีเรื่องไม่สบายใจจะนั่งสมาธิสลับเดินจงกรมและค่อยๆแกะกิเลสหาอุบายแก้ทุกข์แต่ครั้งหนึ่งพยายามเจริญสติทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบจนท้อเลยตัดสินใจไปล้างห้องน้ำชั่วโมงหนึ่งจนเหนื่อยเรากลับมานั่งอ่านหนังสือต่อขณะนั้นใจมันผุดคิดวิธีแก้ปัญหาขึ้นมาเองค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะคิดหาทางแก้นะคะพระอาจารย์จากนั้นคือเหมือนจิตวางสบายที่ทุกข์ใจก่อนหน้าคือหายไปเลยค่ะหนูเกิดความสงสัยเรื่องการทำงานของจิต จึงอยากเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าแบบนั้นเรียกว่าอะไรคะก็บางทีเวลาที่เราอยากให้มันสมบเนียมันก็กลายเป็นการสร้างความเครียดขึ้นมาให้กับใจเวลาอยากให้มันสงบแล้ว ม, ม, มันไม่สงบเมื่อมันไม่สงบเราก็อะไรปลงว่ามันไม่สงบแล้วไปทําอย่างอื่นยิ่งกว่าไปนั่ห้องน้าไปทํางานอะไรอ่านหนังสือประจันนันอันนี้นก็เป็นวิธีประจันนันสติอย่ายที่เรามรรู้สึกตัว เวลาล้างห้องน้ำเราก็ต้องมีสติของการน้างห้องน้ำอ่านหนังสือเราก็ต้องมีสติของการอ่านหนังสือพ้เรามีสติกิ น, นก็กลับมาสงบสงบได้พอจิตสงบมันก็เห็นช่องทางพอเห็นช่องทางวิธีแก้ปัญหาขึ้นมาเองบางทีเวลาสงบเวลาอยากให้มันสงบนะมันไม่สงบเลยต้องอยากไปอยากให้มันสงบต้องอยากต้องพยายามทําให้มีสติอันเดียว อย่าไปคิดถึงผลที่อยากที่จ ะ, ท, จะที่จะได้ที่ต้องการเพราะยิ่งอยากให้มันเกิดแล้วมันไม่เกิดมันยิ่งเครียดเนี่นยมันยิ่งไม่สงบเนี่ยมันยิ่งฟุ้งซ่านอยา่างก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีก็ได้เปลี่ยนวิธีไปอ่านหนังสือธรรมะมาทําเทศทำํทำธรรมหรืไปทํางานอะไรบางอย่างที่ต้องใช้สติคุคณน้องหลินครับ พระอาจารย์คะหนูปเปรียบเทียบร่างกายกับท่อระบายน้ําท่อระบายน้ําตันไม่ต่างกับร่างกายที่ทานไปแล้วใช้พลังงานน้อยกว่าการทานให้อึให้อิ่มร่างกายเลยตันไม่ต่างกับท่อระบายน้ําที่ตันหนูเอามาเปรียบเทียบได้ไหมคะไม่ทราบเหมือนกันแบบนี้ต้องถามคุณบอลดีกว่าเพราะเรื่องนั่งใจเราเราก็ไม่ก็รู้เท่าไหร่ คุณสมพรครับโยมมีความรู้สึกว่าพอเข้าไปในวัดที่มีป่าเยอะๆป่าเป็นธรรมะให้โยมรู้สึกได้อยู่ในตัวป่าของมันเองเป็นความเป็นวิเศษของป่าแท้เสมือนป่าพูดได้สอนธรรมะแทนได้น้อมกราบขอความคิดเห็นจากพระอาจารย์วัดป่าครับคือป่ามันเป็นสภาวะธรรมกลางเลยมันไม่ดีไม่ชัว่วมันก็ทําให้จิตของเรานี้มันก็เป็นกลางไปกับสภาวะธรรมไปในระดับหนึง่ง แต่ถ้าเราอยู่ในในบ้านในเมืองนี้มันจะมีสภาวะธรรมต่างๆที่ร่ำยวนโกนใจเรถ้าให้เราเกิดความรักบา้านเกิดความฉันบ้านขึ้นมามันก็เลยทําให้จิตมราฟุง้งซ่านวุ่นวายป่าเนี่ยเป็นสารที่เหมาะต่อการทำบำเพ็ญเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้ใจนิ่งให้ใจเปนกลางเพราะป่าไม้มันป่าไม่มีมันไม่สร้างมาลงใน ต, ตาให้เกิดขึ้นกับลรา เวลาเราเห็นต้นไมเห็นอะไรเนี่เราจรู้สึกเฉยเฉยไม่ดีไม่เชื่อไม่รักไม่ช่ไไชงไม่โกรธไม่อะไรแต่ถ้าไปดูที่ในบ้านเมืองเราเห็นป้ายโฆษณาแล้วโกรธขึ้นมาได้เห็นคนเขียนอะไรขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราโกรธได้แล้วกเกิดความโลภขึ้นมาได้ใ <Okay. S 1> นบรรยากาศในบ้านเมืองนี้ไม่เหมาะต่อการเพราะถ้ามันเป็นไห้จิตสงบต้องไปอยู่ในป่าในเขาอยู่กับธรรมชาติง่าย คุณแต้มสีครับอยากเป็นคนมมีปฏิภาณไหวพริบดีมีชาวปัญญาดีคิดแก้ไขปัญหาได้เร็ ว, รวต้องทำอย่างไรคะฝึกสติตลอดทั้งวันช่วยได้ใช่ไหมคะสติก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องศึกษาศึกษาวความรู้อยู่เรื่อยเรียนรู้ให้มากยิ่งมากเท่าไหร่ปฏิภาณก็ยิ่งดียิ่งมากขึ้นคุณนกครับพระอาจารย์ค้าสุ บ, บินนิมิต เกิดจากอะไรคะก็จากความคิดปรุงแต่งของจิตเนี่ยสุเบก็แปลว่าความฝันเนี่ยที น, นี้เราฝัน เ, น เ, ร, เรื่องอะไรสุเบ น, นี่เองคุณเวิร์ตครับพระอาจารย์ครั บ, รรบถ้าหากไม่สนใจเรื่องชาติหน้าหรือเรื่องจิตสุดท้ายเลย <c oughs> เพียงแต่คิดว่าหากมีการเจริญสติก็จะทําให้เราสมบูรณ์ขึ้นในทุกๆวัน <c oughs> เพียงเท่านี้ได้ไหมครับได้ไม่ต้องสนใจเรื่องจิตสุดท้ายไม่ต้องสนใจเรื่องชาติหน้า อันนี้มันเป็นผลพอยหน้ที่จะตามมาจากการที่เราปฏิบัติเป้าหมายของเราก็คืออยู่ที่การกําจัดกิเลสเท่านั้นเองว่ากิเลสเป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับเราและสิ่งที่จะทําให้เรากําจัดกิเลสได้ก็คือสติและปัญญาขั้นตอนเราก็จเจริญสติไปพอเรามีสติแล้วเราก็ไปจเจริญปัญญาต่อเท่านั้นเองคุณนิปปนาโทบุตร กับเรียนถามพระอาจารย์ครับการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นเราจะได้บุญกี่ส่วนครับอบุญที่เราได้นี้ไม่ได้เป็นบุญแบบเดียวกับที่เขาทําที่เขาได้บุญที่เขาได้คือเกิดบุญที่เกิดจากการเสียสละแ บ, บ่งปันขเขาแต่บุญที่เราได้นี่คือความยินดีกับการทำบุญของเขาเชิดชมยินดีแล้วก็เกิดความสุขใจเห็นคนทำความดีแล้วก็มีความสุขไปกับขเขาอันนี้เป็นบุญก็ละชนิดกัน แต่บางคนเห็นแล้วอิจฉาก็ได้เพเห็นแล้วอาจจะกรธก็ได้เช่นดูบอล น, นี่ถ้าเกิดทีมเราแพ้นี่แทนที่จะไปเชิดยืนยินดีกับ ค, คู่ที่เขาชนะเราก็อาจจะหาว่าอั น, นี้มันโกงมากมันอะไรมากนะนี่เพราะว่าเราไม่อนุมโมทนากับความกับกับชัยชนะของทีมเราว่าทีมนรแพ้เราต้องอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับความจำเป็นถึงคู่ องการทาความรของผู้ถ้าเราไม่ยินดีเราไม่นที่อยาจะทุกข์ใจวิจจกจู้สึกเฉยเฉไม่สนใจเลนะแต่ถ้ายินดีแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นมาคุณพัทิตาครับนั่งสมาธิแล้วจิตปิดนิ่งจะแก้ไข ย, ยังไรคะไม่ไม่ต้องแก้ไขแ ล, แล้วนั่งสมาธิก็แค่มันนิ่ง ยิ่งนิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ต้องกลัวความนิ่นี่ไม่มีเป็นพิินมีภัยต่อจิตใจมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจกลัวมันไม่นิ่งเลยเพรไม่ติดนะสิพราะันติดภาพประโยชน์มากกว่าติดยูทูบมากกว่าครับคุณสันทิดาครับกราบนวัสการพระอาจารย์คาจากธรรมะเรื่องอาหารของวิชาอยากขอความใม้ตาพระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการสำรวมอินทรีย์ค่ะ ไม่ทราบธรรมะเรื่องการวิชามาจากไหนหมอรู้ไหมผมไม่ทราบครับอาจารย์การวิชาอย่างกับการสำนรงเป็นสีการสํารวเปินสีย์ก็หมายถึงการเราสำนวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้อย่าไปอย่าพยายามอย่าไปดูลูบเสียสัมผัติกับลูบเสียงเกล็ต่างๆถ้าเราต้องการทําใจให้สงบเพราะถ้าเราไปสัมผัสลูบเสียงเกล็ดแล้วมันจะกลายกิเลนขึ้นเกิดความโลภกลาความโกรธกิดความหลงขึ้นมา ผู้ที่ต้องการทําใจในสังคมนี้จะเป็นจะต้องสำรวมอิตรีย้วยการไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรอดที่มันกระตุ้นอารมณ์กระตุ้นความอยากละ้ไปอยู่ตามป่าตามเขานี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสำรวมอินทตใจโดยโดยปริยายเมอเราไปอยู่ในสถานที่ที่รูปเสียงกลิ่นรอดมันเป็นการมันไม่มากระตุ้นให้เราเกิดความโล่โกหดงขึ้นมา นั่นี่คือวิธีสํานวมหนึ่งคือการปลีกตัวเองออกไปอยู่ในฐานที่สงบถ้าเราอยู่ในฐานที่มีรูปเสียงกินแล้วก็พยายามอย่าไปดูอย่าไปฟังพยายามให้เราอยู่กับพุทโธไปเลยให้เราอยู่กับการที่เรากำลังทําอยู่อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอย่าไปสนใจกับรูปเสียงกินแล้วที่เข้ามาสัมผัสทางตาองจมูกลิ้นกายเรียกว่าสํานวมเป็นสิ่ ในวิธีหนึ่งรจำลองเป็นเียก็คือการถือสินแต่นั่นเองการห้ามไม่ให้เราไปเสพ ร, รูปเสียงกินลดไม่ให้ดูหนังฟังเพลงไม่ให้เสริมความงามต่างๆอันนี้ก็เป็นการจำนองเป็นเสียอีกรูปแบบหนึ่งคุณราวันครับการเรามีคนคอยช่วยเหลือให้เงินใช้ได้โดยเสนอหาเราไม่หลอกเขา เต็มใจให้อย่างนี้ตายไปเราต้องใช้นี่เขาไหมคะแล้วจะบาปไหมคะถ้าเราไม่ไปขอเขาเขาให้เรามาเองเราก็ไม่เป็นนี่เขาเป็นเป็นความเมตตาของเขาหรือมาเป็นความความความที่ก็อยากจะทํำบุญกับเราก็ได้ก็ไม่เป็นนี่กันอย่างนี้แต่ถ้าเราไปขอเขาเนี่ยถือว่าเป็นนี่ได้ว่าเราไปขอเขาเราไปรบควนเขาเขาให้เราเพราะว่าเขาถูกบงังคับให้ เราถือว่าเราเป็นนี่เหมืนคุณเขาอาจจะต้องไม่ต้ อ, อาจจะไม่ท่านหน้าเขา อ, อาจจะขอน้องอะไรกับจากเราก็ได้เราเคยขอเราให้เขาช่วยเหลือเราเราก็ต้องการความช่วยเหลือก็อาจจะข อ, อาจากเราก็ได้คุณพีชครับนั่งสมาธิแล้วมักคิดถึงเห็นกระดูกของตนเองต้องดูไปเรื่อยๆหรือต้องแก้ไขไหมคะก็ดูบ่อยๆให้ดูจากนั่ง เวลาไม่นั่งสมาธิก็มองเห็นเห็นกระดูกของเราเห็นกระดูกของคนอื่นเห็นทุกคนมีโครงกระดูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังของทุกคนพม่ออยังไม่เห็นอย่างนี้ตลอดเวลานั้นเราไปไ็จ้ น, นั่งไปหลงนั่งกายของแต่ละคนเราเห็นว่ามันก็คือกระดูกหนังเนื้นนนหอหนังหุ้มห่อโครงกระดูกอยู่ดีๆนี่คุณวันทนีครับ เวลาเกิดการมาราคาพยายามดับแต่มีอารมณ์โกรธจึงเปลี่ยนมาฝั่งเทศบาบ้างดูอสุภะท่องพุทโธบ้างจนหลับจนถึงอีกวันก็ยังมีความคิดแวบเข้ามาอีกแต่จะไม่ค่อยรุนแรงมากเท่าไหร่มีวิธีจะทำให้เบี่ยงเบน บ, บ้างไหมครับก็ต้องพยายามพิจารณาสภาวะอยูเรื่อยหรือท่องพุทโธอย่างนี้ทำแบบนี้ต่อไปนี่นจนกว่ามันจะหมดกาลังไปในที่สุด คุณคอมครับขอคำแนะนาพระอาจารย์ต้องการให้พ่อแม่ได้ฝึกมรณาณนาสติบ้างค่ะควรเริ่มยังไงก่อนคะพ่อและแม่ยังไม่ค่อยปล่อยวางทางโลกเลยค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของของแต่ละบุคคเ น, นีอยู่ดีๆเราจะไปสอนเขาไม่ได้นอกจากเขาถามเราเราอาจจะบอกขอเขาได้มาเราควรจะเริ่มถึงความตายบ้างนะี่ปสิ่งที่พระเจ้าส่งสอนให้เรานึกว่าเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ เวลาเจอขอความตายเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนมากถ้าเราไม่คิดเลยเวลาเจ อ, อความตายมันจะทุกข์จะท ร, รมานมากอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าเขาอยากจะให้เราบอกเขาหรือไม่ถ้าอยู่ดีไปบอกเขานี่มันอาจจะเกิดปฏิบัติยาต่อต้านหรือโกรธเราก็ได้ คุณปราณีครักลับเรียนถามพระอาจารย์ในการใช้ชีวิตประจําวันใน อ, อ, อดีตเคยทาําจานแตกหรือของหายใจจะวูบแต่ฝึกสติในชีวิตประจําวันรู้เท่าทันกายใจเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการแบบเดิมแล้วควรจะฝึกอะไรเพิ่มอีกคะก็ฝึกนั่งสมาธิ่อเลยนั่งสมาธิทําจิตให้นิ่งสงบนั่งให้นานๆให้สงบนานาแล้วจิตจะมีกําลังจะมีกำลังนิ่งได้มากขึ้นจะใช้กับสิ่งต่างๆได้มากขึ้น คุณ อ, อ้อมครับกลาวในมรสการพระอาจารย์ค่ะเพื่อนฝากถามเวลานั่งสมาธิมีความรู้สึกเบาสบายแล้วจิตก็หายไปพอตกหลุมอากาศจิตก็ถอนกลับพอจะดึงจิตกลับมาที่เดิมทําไม่ได้เจ้าค่ะสิตควรทํำยังไงเจ้าคะจิตมันไม่หาย ห, ายหรอกจิตมันแต่นนว่าสติมันหาย ม, มากๆนั่นเหมือนกัตอนนั้นเก็เหมือนกับตอนหลับไปนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกสติให้มากใหอย่าให้สติหายนะ ยากให้มีสติดูอยู่กับเราหายใจหรืออยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องถ้านั่งแบบไม่มีสติมันก็เป็นอย่างนี้ได้นั่งล่าอยู่ๆสติก็หายไปแล้วเดี๋ยวสติก็ถอนกลับมาตอนหายไปก็เหมือนตอนตอนนั้นก็เหมือนตอนนอ น, นอนหลับนั่นเอตอนนั้นมันหลับไม่มีสติมันก็หลับไปพอแล้วสติขึ้นมามันก็แตกขึ้นมานั่นเองแสดงว่าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิ คุณมาริสาครับขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาทุกข์ทรมานจากเรื่องความรักมากอยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีพูดคําไหนให้เขาคลายความทุกข์โลละทมได้บ้างไหมคะก็เราบอกว่ า, าไม่มีอะไรทิ้แท้แน่นอนคนที่เรารักสิ่งที่เรารักนี่เปลี่ยนได้หมดได้จากน้องไปได้ให้ทําใจไหมให้ยามรับกับสภาพความไม่แน่นอนอันนี้จำอานันตา ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้มีคำถามถึงหลวงตาครับสมัยอยู่วัดตาท่านอาจารย์เคยโดนหลวงตาล่วงรู้ว่าละจิตไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะท่านอยู่ <c oughs> พราะมมาไกถามท่าน <c oughs> คุณมีสมีมีครับเราเสียสลัดทรัพย์ทําบุญโดยโอนเงินให้วัด แต่มาทราบทีหลังว่าบัญชีที่เราโอนเงินไปเป็นของมิจฉาชีพไม่ใช่บัญชีวัดทั้งที่เราตั้งใจทําบุญอย่างนี้คือเรายัางได้บุญอยู่ไหมคะการได้บุญวัดที่เจตนาหรือเปล่าคะได้เราก็ยังได้บุญอยู่เพียงแต่วัดไม่ได้รับประโยชน์จากกานที่เราทําบุญนั้นเองคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือมิจฉาชีพไคุณพัทลาครับ จิตสุดท้ายของพระโสดาปฏิมรักเหมือนหรือต่างกับจิตสุดท้ายของสาธุชนอย่างไรครับครับพระโสดา ม, ามันไม่เป็นพระโสด า, ม, ามันเมื่ ต, ตายไปก็ไม่กลับมาเป็นบุตรชนอย่านการเป็นวายใใตายเกิดก็เหนือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เกินเจ็ดครั้ง <c oughs> ก็จะเป็นุเป็นบ้านานั้นถึงนิพพานได้ <c oughs> <c oughs> ส่วนบุตรชนนี่ยังเปนว่าตายเกิดไม่มีจำนวน น, นับไม่ถ้วนอยูต่ตามตรงนี้คุณอาพรครับอยากจะปฏิบัติธรรมควรเริ่มต้นอย่างไรคะคนศึกษาก่อน <c oughs> ศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมนี้มีอะไรบ้างเช่นต้องต้องมีปฏิบัติอะไรบ้างเขาต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ต้องมีศีนก่อนเริ่มตอนที่สีรักษาสีห้าให้ได้ก่อนแล้รักษาสีห้าได้แลรักษาสีแปดรักษาสีแปได้แล้วก็ไปปฏิบัติขั้นสมาธิด้วยการเจารญสติฝึกสติคอยควบคุมความเพียอยู่ความคิดแล้วพอมีเวลาก็นั่งสมาธินั่งหลับตาใช้สติที่เราเจริญอย่างนี้มาควบคุมความคิดต่อด้วยการดูลมหายใจหรือด้วยการบริกรรมพุทโธไป เมื่อกว่าจิตจะเน่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาทำสมาธิให้มากๆให้ชำนาญแล้วจากนั้นค่อยมาทำปัญญาต่อพิจารณาใครับพิจารณาสุภาพเพื่อให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราคุณมนธนาครับ ความขี้สงสารโดยเฉพาะต่อสัตว์เช่นหมาแมวจรคือความทุกข์แบบหนึ่งใช่ไหมคะพอเกิดความสงสารเราก็เกิดพลังหาทางทุกอย่างเพื่อช่วยเวลาช่วยไม่ได้เราก็ทุกข์อีกบางทีก็สงสัยว่าทําไมบางคนมีความขี้สงสารมากบางคนมีน้อยคนไม่มีก็ไม่ทุกข์หรือเขาวางอุเบกขาได้คะพระอาจารย์มีความคิดเห็นเรื่องความขี้สงสารอย่างไรบ้างมันเป็นบุญหรือเป็นบาปคะหรือมันติดจิตใจเรามาเมื่อปีที่แล้วคะ ความสงสารนี่มันเป็นพรมหมไหฮารความการุณาเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ที่มีนะแม่นี่แต่ว่ามันมันไม่มีขอบเขตเท่านั้นเองเราต้องมีความสงสารภายในขอบเขตเของเหตุผลคือสองสารเราก็ช่วยเท่าเท่าที่เราจะช่วยได้ถ้าเป็นเกินวิสัยของเราเราก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันสุดวิสยัยช่วยเขาไม่ไดต้ต้องมีกรอบของเหตุผล ใช่สงสารแบบไม่มีประมาณเห็นอะไรก็อยากจะช่วยไปหมดช่วยยังท่านเราช่วยไม่ไหวพอช่วยไม่ไหวเราก็เลยทุกข์เสียใจขึ้นมา เ, นเราต้องมีทั้งทั้งทั้งความกรุณาแล้วมีอุเบกขาด้วย mm hmm. เมื่อเราไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วเราก็ต้องใช้อุเบกขามาข้ามใจขเขาแล้วมาเราทําได้เท่านี้แนละ้วพวกที่เราช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไป คุณ AW ครับทำอย่างไรให้ลดละความเกลียดชังและความโกรธแค้นคนที่ทำไม่ดีกับครอบครัวเราคะก็ต้องให้อภัยนะพระเจาสอนไว้ความโกรกเกลียดนี่มันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราทําให้ใจเราทุกข์วิธีที่จะแก้ก็ต้องให้อภัยเขาอย่าไปชี้อยทษกดเครื่อครับเถียว่ามันเป็นเรื่องของเขาเป็นนิสัยของเขาเป็นธรรมชาติของเขาที่เราไปห้ามเขาไม่ได้ สิ่งที่เราทําได้ก็คือคอยป้องกันส่วนของเราไปป้องกันได้ก็ป้องกันไปถ้าป้องกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปก็แล้วที่ต้องมารับใช้กับอยากเขาคุณเนราวานครับถ้าขณะที่ฝันรู้ตัวอยู่กําลังฝันอยู่ถือว่ามีสติดีไหมคะประณามว่ามันไม่หมดสติน้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีความรู้สึกว่ากลังฝันอยู่ แต่มันอาจจะเป็นความรู้สึกในความฝันก็ได้นะนะครับอันนี้ก็เมืนกัพอเวลาฝันมันก็สามารถมันมันก็สามารถนึกคิดอะไรของมันได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเควบคุมความความรู้สึกนึกคิดเหล่นี้ไม่ได้ถนะ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติคุณ t ดน n ิ w Official ครับหากผ่านความแก่ความเจ็บความตายได้คือผ่านในระดับโสดาบันหรือเปล่าเจ้าคะ ใช่ถ้าเราไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเราก็ผ่านควาสุขธรรมดาไปได้ไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตาย เ, เฉยๆถือเป็นเรื่องธรรมดาคุณโดมินิกครับพวกมอร์ฟีนหรือยาระงับกล่อมประสาททางกายส่งผลให้กําหนดลมหายใจตั้งสติไม่ได้แล้วจิตจะไปทางไหนครับจิต ก, ก็ไปทางที่มันสะสมมาเลย ทำมันสะสมบาปมามันก็ไปทางบาป้ามันสะสมบุญมาบุญมากกว่าบาปมันก็ไปทางบุญคุณเกษินีครับกับเรียนของความเมตตาครับอยู่กับคนเห็นแก่ตัวเราควรทําจิตใจไปทางไหนอยากหลุดพ้นค่ะก็คิดว่ามันเราอยู่กับธรรมชาติเขแล้วกันบางทีเราต้องอยู่กับอากาศ น, น้อนแสนงอนเราก็ต้องอยู่กับมันไป เวลาอยู่กับน้ำท่วมเรนหนีไปไหนไม่ได้ก็ต้องขาดปรับใจให้อยู่กับน้ําท่วมไปคนนิรวาตถามว่าขณะที่ฝันอยู่นั้นรู้ตัวว่ากําลังฝันอยู่คุยสนทนากับผู้ที่มาในฝันแบบนี้สติดีไหมครับอาจารย์แนละคนที่มาในฝันมาจริงๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ดูว่าเขามาจริงหรือไม่จริงต้องคุยกัน ถ า, ถามปัญหาอะไรต่างๆเนืน้ต้องมีลายพิสูจน์ฉันก็บอกว่าเขาวืมของไว้เก็บไว้ที่ในตู้นั้นเราพรุ่งนี้เราพอเราตื่นแเราก็ไปดูตามที่เขาบอกว่าเขาลืมของเก็บไว้ในตู้นั้นรือเขาซ่อนของบางอย่างไว้ในตู้ที่ไม่มีใครรู้รอย่างนี้ถ้าเราไปเจอเขาตามที่เขาบอกในฝาลก็แสดงว่าเข้ามาจริงต้องมีลายที่เราสามารถพิสูจน์ได้ เพราะบางที่เราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือเป็นเรื่องที่เราได้สนทนากับเขาอยา่างจริงๆที่ขึ้นมาคุณแต้มสีครับนั่งสมาธิแล้วหลงในสมาธิหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าจิตจะหลงไปในอรูปฌานไม่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมคะพอหลงในสมาธิแล้วไม่สามารถจะกลับมาปฏิบัติสมาธิให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อีกใช่ไหมคะ การทำสมาธิจึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำไม่ให้หลงใช่ไหมคะก็คือการนั่งสมาธินี่มันนั่นได้มีผลออกมาได้หลายรูปแบบด้วยกันถ้าไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงงการ น, นั่งสมาธิน้นว่าเป็นอย่างไรนั่นไปนะพอมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อาจจะหลงไปกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็ได้บางคนนั่งแล้วก็หลงไปคิดว่าตัวเองเป็นเทามาหาพรหมกลับมาเกิด หลงไปคิดว่าเป็นนุ่มเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าหลงนะความจริงมันความคิดอันนี้มันมเป็นความหลงขอาเราคิดขึ้นมาเองนะกับกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิขันนะนี่ก็ลักษณะของนั่งแบบไม่มีสตินั่งแล้วปล่อยให้ใจปรุงแตกขึ้นมาแล้วก็แล้วก็แล้วก็เหมาไปว่าเป็นนุ่มเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูก วิธีที่ถูกนี้ต้องนั่งบำบัดมีสติคอยกบกับใจอยู่ทุกทุกขณะหรือต้องมีพุโทโธพุโทโธแล้วมีการดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องถ้าอย่างนี้แล้วมันจะไม่นลและมันจะนำจิตเข้าสู่ความว่างสู่ความสงบความนิ่งสู่ความสมุขที่เกิดจากความสงบอย่างนี้ต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนําคอยสอนสอนวิธีที่ถูกต้องว่าทำอย่าง ท่านรู้ละก็ไม่ต้องมีอาจารย์มานั่งคุมด้วยการนั่งสมาธิไม่ต้องมีอาจารย์มานั่งคุมด้วยก็ได้ยต่ต้องต้องรู้จักวิธีนั่งที่ถูกต้องและต้องรู้ว่าผลที่เราต้องการนั่นคืออะไรและผลอื่นๆที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เป็นผลที่เราควรที่จะไปให้ความสาคัญคุณวริยาครับนั่งฟังเงียบๆฟังพระอาจารย์ใจก็นึกเสมอพุโทโธพุโทโธแต่พอคิด ว่าเราถึงจิตสุดท้ายแล้วจิตมันล่องลอยไปเราจะรู้หรือเปล่าว่าเราดับแล้วเจ้าคะก็ตอนที่เราดับหรือยังเวลาเราดับนี่ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับไปนะเราไม่รู้หลับเวลาที่เราหลับหลับเมื่อไหร่เวลาตายจริงๆเวลาที่เราอยู่ทายใจนี่เราไม่รู้วา่าเราอยู่ทายใจเมื่อไหร่เรไปเมื่อ แต่รู้ว่าใกล้นะเป็นพอมถึงเวลาที่มันตายปุ๊บตอนนั้นเราจะไม่รู้ว่ากี่นาทีกี่เวล า, าไหนเท่าไหร่เวลาทีาท่เร า, า, านอนหลับเวลาตายกับ น, นอนหลับนี่เหมือนกันจิตปล่อยวางนัางใจเวลาดับก็ปล่อยวางชั่วข้าวเวลาตายก็ปล่อยวางแบบท้าวอนไม่กลับมานะฝันฝันต่อไปเลยใช่ไหมครับอจาจารย์ ยาวไป<ต>ยอยู่ในโลกของความฝันไปจนกว่ากําลังของบุญและบาป ท, ที่ผลิตความฝันมันหมดกําลังลงมันก็จะมารอรับร่างกายของของของมนุษยใหม่คุณมะโมครับเคยได้ยินเรื่องการตายก่อนอายุไขต้องไปวนเวียนเป็นสัมภเวสีจริงหรือไม่เจ้าคะถ้าจริงจิตสุดท้าที่บีจะช่วยเราได้หรือเปล่าหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกมันไม่มีตายก่อนอายุไขัยเรา เวลาตายก็เป็นเวลาเวลาตายของมันนะครับส่วนจะเป็นอะไรนี่อยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันไว้คุณลูกเกตครับลูกขอสอบถามเจ้าค่ะหลวงปู่ท่านกล่าวว่าในยุคนี้จะมีสัตว์นรกมาเกิดบนโลกมนุษย์นั้นมากให้รีบปฏิบัติให้มากหากยังไม่หลุดพ้นให้ไปเป็นพรหมเป็นเทพรอจนกว่าจะถึงยุคพระศรีอารยาเมตรัยจะมีแต่ผู้มีบุญมาเกิดอายุหมื่นปีครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันเหรอ การปฏิบัตินี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอยู่กับคนดีหรือคนเชื่อหรอกคนดีคนเชื่อมันก็เป็นเรื่องของของเรื่องการเวียนว่าตายเกิดของดวงวิญญาณแต่ละดวงที่อาจจะมาเกิดเยอะอาจจะมีดวงวิญญาณที่มันเกิดเยอะมางช่วงอาจจะมีดวงวิญญาณไม่ไม่ดีมันเกิดเยอะมางช่วงอันนี้มันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติของเราการปฏิบัติของเรานี้เราต้องรีบปฏิบัติให้มากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ อนี้ต่างหากที่เป็นสริงที่เราต้องทำหนึ่งถึงไม่นำไปคนนาํานวณว่าจะมีพร ม, มีเทพนี้มีสัตว์น้ลกมาเกิดหรือไม่มันไม่เกี่ยวกับเราหรือแม้แต่พระรีอานมาเกิดก็ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปรอพระสีอันมาเกิดมาสอนเราเรามีครูอยู่แล้ว เป็นความคิดที่ผิดนะความคิดที่ถูกก็คือตอนนี้เรามีครูมีผู้บอกทางให้เราหลพนล้เาเรารีบปฏิบัติให้มันหลุดพีนดี็วกว่ากุต <Good S 1> อุบลครับโยมเคยฝันว่ามีคนพาไปเห็นนรกไม่เห็นมีต้นงิ้วกระทตทองแดงเลยค่ะรู้แต่ว่าใครทำกรรมอะไรไว้จะได้ผลกรรมนั้นบาปคือบาปบุญคือบุญจริงหรือไม่เจ้าคะ่ะบาปก็จะทาให้เราฝันดีนะ บุญก็จะตัดอับาปจะทำให้เราฝันร้อยบุญก็จะทําให้เราฝันดีส่วนจะฝันเห็นมีกระทะทองแดงมีต้องยิ้วหรือไม่นี้ก็แล้วแต่ความฝันของแต่ละคนซึ่งบางคนอาจจะฝันใจอยู่ว่าอารมณ์เป็นกระทะทองแดงเหมือนเวลานอนหับนั่งฝันไปไปลาจจะฝันเป็นกระทะทองแดงก็ได้อันนี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันดงั้นอย่าไปให้ความสำคัญอย่างไรก็แล้วกันอะไรที่เราฝันก็ให้ท่องนึว่ามันดีหรือไม่ดี ถ้าฝันดีก็เป็นผลของบุญถ้าฝันไม่ดีก็เท่าเป็นผลของบาปก็พอคุณสุรเดชครับอรูปปชาญอรูป ร, ร, ปรพมกับความฝันเนื่องจากในความฝันไม่มีรูปมีแต่ขันสีเป็นความเห็นที่มีภาวะเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนหรากคำว่ารูปปชาญ า, า, ารูปรูปปชาญารูปปชาญานี่เราก็ไม่เข้าใจความหมายเขาคำว่ารูปนี่นนมีการว่าหมายถึงอะไรนะ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ไม่ได้หมายถึงร่างกายอาจจะเป็นรูปที่ปรากฏในในฌานหรือเปล่าหรือไม่อันนี้เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของคําว่ารูปกับรูปในในฌานนี้เป็นอย่างไรแต่รู้ว่ารูปฌานนี้จะมีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้เช่นมีมีมีมีตกมีมีจานมีปิติมีสุขอะไรมีองเบคคานี่หรือว่าเป็นรูปฌาน อรม ป, ประชานก็มีมีความว่างมีมีสภาพของความว่างมีสภาพของการมีสัญญาไม่ไม่มีสัญญาอะไรทำนองนี้ต้องไปอ่านดูแล้วก็จะมีเขียนคุณสมบัติไว้มันไม่เกี่ยวกับรูปรูปของทางร่างกายของเราแต่อารม ป, ประชานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันเกี่ยวกับการทําใจให้สงบ ฌานนี้เป็นความ้งบขั้นต่างๆขั้นที่หนึ่งก็จะสงบน้อยกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองก็น้อยกว่าขั้นที่สามขั้นที่สี่ก็น้อยกว่าขั้นที่ห้าคือรูณประชานอรูณประชานนี้จะสงบมากกว่ารูณประชานขึ้นไปยังขั้นถึงรูณประชานแปดอรูณประชานขั้นที่สี่หรือฌานขั้นที่แปดก็เป็นสงบเต็มที่ จนถึงอิมิตุศิกรรมีขั้นเหนือจากรูปประชาญขึ้นไปอรูปประชาญขึ้นไปก็คืออันนี้เขาเรียกว่านิโรดการดับสนิทของขันเลย น, น้ำมขันเวดิตะนี่เขาเรียกอะไรนะสัญญาเวดิตะเวดิตะนิโรดดับหมดเลยาหายหมดเลยแต่เป็นการดับชั่วคราไม่ได้ดับแบบถาวรหยุดการทํางานของขนันนาำมขันทั้งสี่อย่าง อย่างสมบูรณ์อยอร์ซ็นต์นที่บอกนี่โลสสมาบัติหนึ่งกันค่ะอ่าดีนโลสสมาบัตินะคุณสุกัญญาครับขอถามว่าจิตพระราหานก็เป็นอนัตตาหรือเจ้าคะจิตของทุกคนเป็นอนัตตาหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นพระราหานหรือกุฎุชนจิตเของเราก็เป็นอนัตตาเพียงแต่ว่าเราไปเราไปหลงว่จิตจิตของเราไปหลงที่ว่ามีตัวตนนั้นเอง ก็เหมือกับคนที่คิดว่าโลงนี้แบนคนระับมัก็เป็นความคิดความคิดของจิตที่มันที่ิดว่ามันโลงนี้มันแบนแต่ความจริงโลกนี้ไม่ใช่มันกลคุณมนัตครับนิพพานเป็นอย่างไรหรือเจ้าคะแล้วสภาวะของจิตทุกดวงที่ปฏิบัติธรรมจนถึงเข้าเข้านิพพานจิตจะไปรวมกันอยู่ในนิพพานใช่หรือไม่เจ้าคะไม่หรอกนิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่มันสภาวะจิตของแต่ละคน เป็นจิตที่ส า, าดอยสุดปราศจากกิเลสคือความโลภ ก, กดลงแล้วเมืม่อเป็นความโลภ ก, กดลงจิตก็จะมีแต่ภาพสุขตลอดเวลาเท่านั้นเองนี่คือนิพพานของจิตแตล่ละดวงไม่ไปรวมกันอยู่ในที่เดียวกันนี้ไม่ใช่คุณแพทครับเพราะอะไรการภาวนาจึงถือว่าเป็นการทำบุญขั้นสูงสุดได้อย่างไรคะมันได้ความสุขมากที่สุดงไงในความสุขเต็มร้อย ความสุขอย่างท้าวรนคือพระนิพพานนี้ความสุขอย่างอย่างไม่เต็มร้อยแล้วไม่ไม่ทาวอนได้เป็นครั้งเป็นคราวได้แล้วก็เสื่อมหมดไปได้แต่ถ้าได้ความสุขของพระนิพพานนี้จะได้ความสุขที่ทาวอน่าเต็มร้อยตลอดเวลาคุณเขมจุธาครับฟังเพลงบ้างสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างตอนตายจะไปไหนครับ ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คุณมีนาครับเคยให้เงินช่วยเหลือลูกของพี่ที่ไม่ร้องขอเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงเพราะเราเป็นห่วงหลานๆแต่พี่ๆไม่เคยขอบคุณบางครั้งกลับมาพูดจาทำให้เราเสียใจหรือช่วงเรามีปัญหาเขากลับไม่เคยช่วยเหลือเราเลยอยากรบกวนสอบถามว่าควรทำยังไงไม่ให้เราเสียใจคะแล้วการที่เราเริ่ม รู้สึกว่าต่อไปไม่อยากจะช่วยใครอีกแล้วในอนาคตไม่ทราบว่าคิดแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกหรอกเพราะว่าเวลาที่เราช่วยเหลือใครเราคิดว่าเป็นการทําประโยชน์ให้กับตัวเรามากกว่าทําให้กับคนอื่นเวลาได้ช่วยเหลือใครแล้วเราจะประกาศความสุขใจขึ้นมานั่นเองแล้วก็ถ้าอยากจะให้ได้ความสุขใจหรือแบบไม่เสียใจเราก็ต้องไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราให้ความช่วยห ทีวว่ว่าช่วยเอาบุญเขาเล้ช่วยเอาบุญเอาความสุขใจนั่น เ, เองไม่ต้องการให้เขาเข้ามาขอบใจเราไม่ต้องการให้เข้ามาทดแทนดูคนให้กับเราเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่หวังอะไรจากเขาเลยอันนี้แหละมีการทาบุญที่ถูกต้องถ้าทาบุญแบบนี้แล้วมันจะไม่เสียใจเวลาที่คนที่เราเชิญหรือเราเ็้าในลัคน์เราเนื่อมีความลกตันอยู่แล้วไม่ได้ไม่หวังอะไรจากเข า, าเราเราจะรู้สึกเฉย มันก็เพียงแต่บอกข้อมูลให้เราเรื่ว่าคนแบบนี้ต่อไปไม่ช่วยนะช่วยแล้เสียเวลาว่าไปก็จะหันไ่ช่วยคนที่เขามีความกันอยู่หรือว่คนคนคนที่ดีต่อไปนี่้การช่วยเหลือคนอื่นนี้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเขานะเขาจะช่วยเราช่วยเรายกราดับจิตใจของเราให้เป็นเทพขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ทําบุญเราเป็นเทพไม่ได้ะเราก็จะเป็นเพียงแต่มนุษย์ถ้าเรารักษาสีหน้าพียง อ, อย่างเดียวเราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ แต่เราจะขึ้นสูงกว่าความเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำบุญทาทานการทำบุญทาทานนี้ไม่ได้ทําให้คนอื่นทําให้กับตัวเราให้เราคิ้งอย่างนี้เป็นการยกกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นกว่า ข, ว ข, วขั้นของมนุษย์คือเป็นขั้นของเทวดา คุณลังสันครับบ้านรื้นานแล้วเหลือแต่ที่ดินของแม่ถ้าจะปลูกบ้านใหม่ผมไม่อยากมีสารพระภูมิแล้วจะเชิญแล้วรื้อทิ้งอย่างไรไม่ให้เกิดโทษครับไม่ทํายังไงก็ได้เราไม่มีความจริงไม่มีเราไปเชื่อกันเองแล้วนี่แต่เพืกอความสบายใจก็จุดูเทียนสามดอกแล้วขอกลับมาพราะภูมิกลับกัได้เพื่ความสบายใจอย่งนั้นเดี๋ยวเกิดมีอะไร ข, ขึ้นมาก็จะโทษว่านี่พเพอไป็นรื้อสารพระภูมิขึ้นมาแล้ว ตอนเรามันชอบจับแพ้ชนแก่กันนะนั้นก็ความสบายใจเอาเกาะยันกันผีไว้ก่อนก็จุดทุกเทียนสามดอกแล้วขอขามาราโทษกับว่าขา้าพเจ้าจำมีการจำเป็ น, จ ะ, ปนจะต้องสร้างมากใหม่จะต้องดือ้อสารพบุรัษ น, นี้ไปขอให้ท่านจงอย่าถือโทษกดอเคิงกับผมเลยนะทำํำรูปคำสบายใจนะครับแต่ถ้าเรามีความมั่นใจเราร่วมไม่มีจริงเ ร, เ, เราก็ไม่หวั่นไหวแล้วถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ไปโทษ กรรมของเราดีกว่าเนี่ยทํากรรมดีกรรมชั่วต้องรับผลกรรมดีกับชั่วไปเท่านั้นเองสามทุมครึนะครับอาจารย์อ่านคําถามถามา ไ, ได้ครึ่งเดียวเองครับโแป๊ดวันนี้เรื่องสุดท้ายคนเข้ามาฟังเยอะเขายืดหลังนะว่าเราตัด บ, บทไปเลยว่าเป็นเรื่องพระเจอ อาารครับขอโอกาสครับวันนี้มีคนฟังทำอยู่ในเฟซบุ o กหกร้อยหกสิบสองคนในยู u ูบเจ็ดร้อยเก้าสิบสามในครับเฮาส์ยี่สิบคนครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังทำอยู่ด้วยกันหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าคนครั บ, รบวันนี้มากเลยเพรมีเรื่องจุดสุดท้ายะมันสนใจวนะันที่วันเราสามารถมาปรับแต่งจุดสุดท้ายได้ปรับโยมวิ ญ, ญายาณขอเราให้เป็นโยมวิญญาณที่ดีได้นวาระจิตสุดท้ายกินแบบนี้มันก็มันไม่จะเอาเปรียบคนที่เขาต้อง ต้องคอปฏิบัติคอยทำความดีตลอดชีวิตแล้วยิ่งกลับไปไปว่าความทำความดีตลอดชีวิตอาจจะอาจจะไปอบายก็ได้ยิ่งทําให้เรายิ่งคิดว่าเเรามาหวังที่จิตสุดท้ายดีกว่าพอทําความดีแล้วถ้าเกิดจิตเราไปพลิกตอนจิตสุดท้ายแล้วก็ความดีทั้งหลายที่เราทํามาก็มันก็ไล่ผลนะสิอันที่เปนความก็จะมันไม่มันไม่เกี่ยวกันะความดีต่างๆที่เราสะสมไว้มันจะเป็นน้ําหนักเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ควาเชื่อต่างๆเนี่เราทำแล้วมันก็จะเป็นน้ําหนักแล้วสองสองสองน้ําหนักนี้จะมาถ่วกันหรือว่าอันไหนมีมากกว่ากัน้ําถ้าบาปมากกว่า บ, บุญมันก็พาเราไปอบายถ้าบุญเรามากกว่าบาปมันก็พาเราไปสวรรค์ไม่ใช่มันแต่งงตอนตอนตอนจิตสุดท้ายมันแต่งไม่ได้หรอกถ้าแต่งได้พระเจ้าก็ไม่สอนให้เรานั่งปฏิบัติกันให้เหนื่อยอยาก right? ยกไปรอจิตสุดท้ายกันนะพวกเราทั้งหลายทั้งปวง ไม่มีในคำสอนเรื่องจิตสุดท้ายไม่รู้มันโผลมาจากที่ไหนก็ไม่รครับแล้วนะก็คิดวราพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฝังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในถามยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ ถ้าท่ายังไม่เจอจิตสุดท้ายก็คงจะได้พบกันในอาทิตย์หน้าที่เก่าเวลาเดิม ข, ข, ขอบคุณครับอาจารครับเาจารย์ไป